เปยังไงปฏิบัติดีไหมการปฏิบัติธรรมก็คือการควบคุมจิตใจจิตใจเราเป็นเหมือนม้าป่ามันยังไม่เชื่อมมันชอบพยศคนขี่นี่มักจะถูกมันตเตะเวยเวลามันโลภที่เวลามันโกรธที่เหมือนมันพยศพยศแล้วก็ทาให คนให้เราเนี่ยใจสั่นไม่สบายเราเลยต้องมาฝึกใจฝึกจิตควบคุมจิตให้มันเป็นจิตที่เชื่องจิตที่อยู่ภายใต้คำสั่งของเราถ้าจิตที่ได้รับการอบรมดีแล้วนำความสุขมาให้อย่างยิ่งจิตที่ไม่ได้รับการฝึกฝนจะนำแต่ความทุกข์มาให้ เราจึงต้องมาปฏิบัติมาฝึกฝนจิตใจกันให้จิตใจเป็นจิตเชื่องเหมือนทําให้ม้าป่าเป็นม้าเชื่องถ้าหมาเชื่องแล้วเข า, เาไปทําอะไรก็ได้ให้ไปเต้นระบำมันยังเต้นได้นก่อนจะกว่าจะให้มันเต้นระบำได้เขาก็ต้องฝึกไม่ใช่อยู่ดีๆมันจะมาเต้นระบำให้ จิตเราก็เหมือนกันถ้าจิตเราได้รับการอบรมผลกผลให้อยู่ในความสงบต่อไปจิตเราก็จะสงบจะเชื่องจะไม่ก่อเรื่องก่อเราไม่สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับเราตอนนี้เรายังควบคุมจิตไม่ได้ตลอดเวลา ควบคุมได้บางเวลาเวลาที่มันพยศนี่สู้มันไม่ไหวเวลามันโกรธนี่เราหยุดมันไม่ได้เวลามันโลภเรายังหยุดมันไม่ได้เราเลยต้องมาฝึกจิตมาสร้างเอาบางเหียนมาเหมือนกับบางเหียนที่เราใช้ควบคุมมาเอามาใส่ที่ปากมาไว้เวลาเวลามัน ดือ้อปนึ่งมันเจ็บปากมันก็จะหายดือ้อจิตเราก็เหมือนกับมาเราต้องเอาสติเป็นเหมือนบางเห็นมาคอยควบคุมจิตอย่าปล่อยให้จิตมันทําอะไรตามนิสัยอย่าปล่อยให้มันคิดเราต้องบังคับให้มันหยุดคิดแล้วก็บังคับให้มันคิดไปในทางที่ ไม่เกิดโทษทางที่เกิดสุขเกิดประโยชน์จิตของเราที่คิดไปได้ในทางที่ทำให้เกิดทุกข์ก็ได้คิดไปในทางที่เกิดสุขก็ได้เรื่องอย่างเดียวกันเนี้ยคิดแล้วสุขก็ได้คิดแล้วทุกข์ก็ได้เช่นเงินทองก้อนอย่างเนี้ยถ้ามันหายไป ถ้าคิดอยากจะได้คืนมาเนี่ยมันก็จะเสียใจจะทุกข์ใจแต่ถ้าคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานไปมันก็สุขใจสบายใจถ้าคิดว่าเป็นของเรามันก็จะทุกข์เพราะเราอยากจะได้คืนถ้าคิดว่าไม่ได้เป็นของเราเป็นของเรายืมเข้ามาถึงเวล า, าต้องคืนเขาไปพอมันไปก็คิดว่าเราคืน ของที่เรายืมเข้ามาไปถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาคิดว่าของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของยืมมาได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปพอเวลาเรามาเกิดในโลกนี้เราไม่ได้เอาอะไรมากับเรา ของต่างๆที่เราได้ที่เรามีอยู่กันทุกวันนี้เป็นของที่มีอยู่ในโลกนี้และเวลาที่เราจากโลกนี้ไปเราก็ไม่ได้เอาอะไรไปกับเราของทุกอย่างก็ต้องคืนโลกนี้ไปเปรียบเหมือนกับโรงละครเราเป็นเหมือนนักสแสดงละครเรามาสมัครเล่นละครที่โรงละครเขาก็ให้บทเรามาเล่นให้เราเป็น เป็นมหมาเศรษฐีเขาก็เขาก็มีเสื้อผ้าของมหมาเศรษฐีให้เราใสา่มีบ้านของมหมาเศรษฐีให้เราอยู่มีเงินของมาเศรษฐีให้เราใช้พอละครจบเขาก็เอาคืนหมดเราเป็นเพียงแต่ตัวมาเล่นละครเท่านั้นเองนี่คือความจริงของพวกเราที่เรามองไม่เห็นกันหรือไม่คิดกันว่าเราเป็นเพียงตัวละคร เรามาเล่นละครในโรงละครโรงใหญ่คือโลกนี้เป็นโรงละครโรงใหญ่สิ่งต่างๆบุคคลต่างๆที่เราได้มานี้เป็นของโรงละครเขาเป็นตัวละครเช่นสามีเราก็เป็นตัวละครพ่อแม่เราก็เป็นตัวละครบุตรธิดาของเราก็เป็นตัวละครมาเล่นกันนั่นเองแล้วก็ถึงเวลาก็พอบุตรของใครหมดคนนั้นก็ จบไปเวลาคนนั้นจากเราไปคนนี้จากเราไปก็สแสดงว่าบทของเขาหมดแล้วเวลาเราบทของเราหมดเราก็ต้องเราก็ต้องไปหาลงละครลงใหม่เล่นถ้าเรายังอยากจะเล่นต่อพอโรงนี้เขาไม่มีบทให้เราเล่นแล้วเขาผู้กำกับเ ข, เขาเขียนบทให้เราตายแล้ว ถึงเวลาเขาให้เราตายเราก็ต้องตายแล้วบทต่างๆของต่างๆที่มากับบทก็เขาก็เอาคืนหมดสมบัติของของของตัวแสดงตัวนี้อะไรต่างๆที่เป็นของตัวแสดงตัวนี้เขาก็เอาคืนไปนหมด <c oughs> เราเป็นเพียงเหมือนคนที่มาสมัครเล่นละครที่โรงละครเขาก็ให้บทเรามาเล่นกัน เล่นเสร็จแล้วพอจบแล้วเขาก็เอาของทุกอย่างที่ของเป็นของตัวละครคืนไปเราก็ไปตัวเปล่าๆถ้าเรายังอยากเล่นละครอยู่เราก็ไปหาโรงละครโรงใหม่เล่นเล่นบทใหม่ต่อส่วนใหญ่ก็จะเล่นบทเดิมเพราะเราถนัดบทไหนเราก็มักจะสมัครไปเล่นบทนั้นสํัคร ถ้าเราถนัดเป็นตัวโกงเราก็จะไปเล่นเป็นตัวโกงถ้าเราถนัดเป็นตัวดีเราก็จะไปเล่นเป็นตัวดีนี่คือนิสัยของพวกเราที่เราสะสมกันมาแต่ละพบแต่ละชาติมันจะทําให้เรามีนิสัยดีมีนิสัยไม่ดีเราไม่ว่าเราจะมาเกิดกี่ครั้งเราก็จะมีนิสัยแบบนั้นติดตัวเรามา ก่อนที่มีนิสัยดีก็จะมาทำบุญมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาทำความดีก่อนที่มีนิสัยไม่ดีก็จะมาทำความไม่ดีมาเล่นการพ น, นันมาดื่มสุรายาเมามาเที่ยวเล่นมาทำบาปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโกงอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นเป็นนิสัยที่ฝังมากับจิต สิ่งที่เราได้ไปก็คือนิ ส, สัยเนี่ยเรามาทำอะไรเนี่ยเราจะเอานิ ส, สัยไปกับเรานิ ส, สัยตามภาษาพาก็คือกรรมเนี่ยคือการกระทำต่างๆเวลาเราทำอะไรทำไปแล้วมันก็ติดเป็นนิ ส, สัยถ้าทำไปมากๆมันก็ติดเป็นสันดานเหมือนเวลาที่เราตอกเสาลงดินเนี่ยถ้าตอกลงไปไม่ลึกก็เป็นนิ ส, สัย ถ้าตอบลงไปลึกเนี่ยมันก็เป็นสันดานสันดานก็แก้ยากกว่านิสัยนิสัยยังพอแก้ได้ง่ายกว่านิสัยเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่กับสิ่งแวดลอ้อมเราไปอยู่ที่หนึ่งเขาทําอะไรกันแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นกับเขาเช่นเวลาไปอยู่เมืองนอกเขากินอาหารฝรั่งเราก็ต้องกินอาหารฝรั่งไปกับเขามันก็ติดฮะมันก็ติดนิสัยกินอาหารฝรั่งมา กลับเมืองไทยมันก็ยังติดนิสัยนี้อยู่ก็ยังชอบไปกินอาหารฝรั่งแต่พอมาพอมาอยู่กลุ่มกับเพื่อนที่ชอบกินอาหารไทยเดี๋ยวก็ไปชวนเราไปกินอาหารไทยบ่อยๆต่อไปนิสัยกินอาหารฝรั่งก็หายไปนิสัยมันยังเปลี่ยนได้แต่สันดานนี้มันเปลี่ยนยากอย่างพวกที่เกิดในเมืองนอกเนี่ยมันเขาเคยถูกฝังมาตั้งแต่ปูกฝังมาตั้งแต่เกิดพอก็มาอยู่เมืองไทยจะอยู่ ย, ยังไงเขาก็ยัง ปินอาหารของเขาแบบเดิมเนี่เพราะมันเป็นสันดานมันเร็อกว่ามันจะเปลี่ยนก็ได้แต่มันยากกว่าเวลาเปลี่ยนทิศสยัยมันก็ไม่สบายใจเพราะว่าเราเคยถนัดเคยทําอะไรพอเราต้องเปลี่ยนการกระทําที่เราถนัดเราก็จะไม่อยากทําเพราะมันไม่มันไม่สบายไม่สะดวกเหมือนเราถนัดมือขวาแล้วถ้าเรามีความ มือขวาเสียมือขวาเจ็บเราต้องมาใช้มือซ้ายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะใช้มือซ้ายเพราะมันไม่ถนัดเพราะไม่เคยใช้เท่าไหร่แต่ถ้ามันจำเป็นเราใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ชนานาญขึ้นมาต่อไปเราก็จะถนัดมือซ้ายดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีนิสัยไม่ดีมาเกิดก็เกิดมากับเราถ้าเราได้มาอยู่กับคนที่มีนิสัยดีล้วเราพยายาม หัดทำนิสัยใหม่นิสัยเก่าเราเลิกทำใหม่ๆมันก็จะรู้สึกยากอย่างคนที่ชอบอเล่นการพนันเดือมสุราติดสุราติดการพ น, นันอยากจะเลิกเนี้ยก็มาบวชกันพอมาบวชอยู่วัดนี่ไม่มีสุราให้เดื่มมีไม่มีการพนันให้เล่นใหม่ๆอยู่ก็ทรมานใจเพราะใจมันยังอยากที่จะไปเล่นยังอยากไปเดือมสุรา แต่ถ้ามีความพยายามฝืนทนอดทนเอาพยายามทำกิจกรรมกับกลุ่มใหม่มาอยู่วัดเขาก็มีแต่ให้ลงโบสถ์ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มีกิจกรรมที่มีประโยชน์บิณฑบาต ท, ทำอะไรเป็นประโยชน์ถ้ามีกิจกรรมอะไรทำไปความอยากที่จะไปทำ กิจกรรมเดิมก็จะค่อยๆหายไปถ้าบวชไปได้ชั่งระยะหนึง่งความอยากเล่นการ น, านั้นความอยากดื่มชวามันก็หายไปก็สามารถเปลี่ยนทิศทาใหม่ได้องคุลิมานี่ยังเปลี่ยนได้องคุลิมานี่ถูกหลอกให้ไปฆ่าคนว่าถ้าได้ฆ่าคนถึงพันคนแล้วจะได้บรรลุธรรมมันวิเศษก็เลยไปฆ่าคนฆ่าคนนึงก็เก็บนี่วไว้ เอานิ้วมาเป็นเป็นเป็นตัววัดว่าได้ฆ่ากี่คนละฆ่าคนแล้วเการ้อย้าสิบคนเหลือคนเดียวมาพบพระพุทธเจ้าก็ตามฆ่าแต่พระพุทธเจ้าท่านก็นใช้อิอทธิฤทธิ์ของท่านทําให้องคุลิมาในไล่ตามไม่ทันวิ่งไล่จนเหนื่อยเหนื่อยต้องตะโกนบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านหยุดเถิด เราตามท่านไม่ทันนะั่นแหะพระเจ้าก็ย้อนตอบ ก, กลับไปว่าเราหยุดแล้วเธอต่างหากที่ยังไม่หยุดเนี่ยพอพูดอย่างนี้ก็ทําให้เอกใจพูดยังไงไม่เข้าใจท่านท่านบอกท่านหยุดแล้วทำไมผมวิ่งแล้วทําไมวิ่งตามไม่ทันพระเจ้ า, าก็บอกว่าเราหยุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วเธอยังไม่ได้หยุดจากความโลภความโกรธความหล ยัางยากยัางยากบรรลุธรรมันวิเศษด้วยการฆ่าคนนี่ไม่ใช่เป็นทางพอพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้เขาก็เข้าใจคนฉลาดนี้พอรู้ว่าทําอะไรผิดพลาดก็เปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วเลิกทําเลยเลอกฆ่าคนแลหันมาฆ่ากิเลสแทนฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอฆ่าปัก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ ได้บรรลุธรรมอันวิเศษเพราะอิทธิพลของคนคนเดียวคนฉลาดคนเดียวคนฉลาดคนเดียวนี้สามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้จากโลกที่ไม่ดีเป็นโลกที่ดีได้คนคนเดียวนะอิทธิพลของปัญญาความรู้ความฉลาดของพระพุทธเจ้านี่เปลี่ยนพวกเราได้กันเยอะแยะเลยพวกเราทุกคนที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนานี้ก็เข้าหา ปัญญาของพระพุทธเจ้านี่ความรู้อันวิเศษของพระพุทธเจ้าที่จะมาสอนให้เราเปลี่ยนนิสัยของเราจากนิสัยที่ชอบโลภโมโทโสันให้มากลายเป็นนิสัยที่ไม่มีความโลภโมทโทสันให้มีแต่เหตุแต่ผลให้มีแต่ความสุ ข, ขุมรอบครอบมีสติมีปัญญามีความสุข ภายในตนเองถ้าเรามีความสุขภายในตนแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขด้วยการไปทำร้ายผู้อื่นด้วยการไปเล่นการพนันด้วยการไปดื่มสุรายาเมาความสุขภายในใจเรานี้มันเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและก็เป็นความสุขที่จีรังถาวรที่เราสามารถที่จะเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอด ความสุขทางทางอื่นนี้เป็นความสุขชั่วคราวเวลาได้ดื่มสราก็มีความสุขเดี๋ยวพอดื่มเสร็จแล้วความสุขนั้นก็หายไปความทุกข์ก็ตามมาความมึนเมาตามมาความปวดศีรษะตามมาตื่นขึ้นมาปวดศีรษะหรือถ้าเมาแล้วไปทำไปทำกิจกรรมบางอย่างก็อาจจะเกิดความเสียหายตามมา ไปขับรถก็อาจจะไปประสบกับอุบัติเหตุไปชนคนตายเดี๋ยวก็ต้องไปติดคุกติดตารางอะไรต่างๆนี่คือผลของการหาความสุขภายนอกมันจะมีความทุกข์ตามมาเป็นพวงเลย<ม>เป็นเรื่องกันเป็นยาวไปเลย<ม>แต่ความสุขภายในนี้ไม่มีความทุกข์ตามมาเลยอยู่ที่ไหนนั่งเฉยๆทําใจให้สงบได้ความสุขก็เกิดขึ้นแล้ว<ม>อันนี้แหละ สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าคนคนเดียวนี้สามารถทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านที่ไม่รู้จักว่าความสุขของตนนั้นอยู่ที่ไหนได้ค้นพบกับความสุขที่มีอยู่ในตัวของเราตัวเราเนี่ยมีความสุขอันวิเศษอยู่แต่ไม่มีใครบอกเพ่อแม่ก็ไม่ได้สอนบอกเรา ครูบาอาจารย์ตามโรงเรียนก็ไม่ได้สอนไม่ได้บอกเรามีแต่สอนให้เราไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากลูกเสียงกิน่นนสดแล้วผลจากการหาความสุขเหล่านี้เป็นไงก็มีแต่เรื่องวุ่นวายใจต่างๆตามมาไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะความสุขเหล่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา เดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงราบยศสรรเสริญเวลาขึ้นก็ดีใจกันเวลาลงก็เสียใจกันนี่คือความสุขที่พวกเราถูกสอนให้ไปหากันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราจะไม่ได้ยินการหาความสุขในตัวเราความสุขอันนีเศษนี่ไม่อยู่ในตัวเรา ที่ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องวุ่นวายใจต่างๆตามมาันมีอยู่ในตัวเราแล้วเพียงแต่เราไม่รู้จักหามันไม่รู้จักทำให้มันเกิดขึ้นนั้นเองตอนนี้เราได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอนให้เราเข้ามาหาความสุขในใจของเราการหาความสุขในใจของเราได้เราก็ต้องอยุดหาความสุข ภายในใจเพราเราทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เหมือนหาความสุขในบ้านกับความสุขนอกบ้านนี้ทําพร้อมกันไม่ได้ต้องเลือกเอาวันนี้จะอยู่บ้านดีหรือวันนี้จะออกไปเที่ยวดนะีความสุขในบ้านก็แบบหนึ่งความสุขนอกบ้านก็อีกแบบหนึง่งนะความสุขในใจกับความสุขนอกใจก็เป็นคนละแบบกันจะเอาทั้งสองแบบพร้อมกันไม่ได้ ถ้าจะเอาความสุขภายในใจก็ต้องหยุดหาความสุขภายนอกหยุดหาความสุขภายนอกก็ถือศีลแปดเนี่ยการถือศีลแปดเนี่ยเป็นการเป็นการหยุดหาความสุขภายนอกหยุดหาความสุขจากการดื่มสุรายาเมาหยุดหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันหยุดหาความสุขจากการรับประทานอาหารมากจนเกิน<ๆ><ๆ>ไป รับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอวันละมื้อก็พอเนื้อสองมือ้อแต่ไม่ให้เกินเที่ยงวันไปแล้วไม่ตายรับรองได้ไม่ได้กินข้าวเย็นไม่ตายหรอกดีสิมีประโยชน์สิสำหรับคนบางคนที่ต้องการลดน้ำหนักไม่ได้ไม่กินข้าวเย็นได้มีประโยชน์กว่าลดไขมันลดน้ำตาลลดน้ำหนักมีประโยชน์ กำลังใจไม่มีสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าเรามาฝึกอยู่กับคนที่เขามีกำลังใจเราก็จะอยู่ได้เราก็จะทำได้มาบวชเนี่ยคนที่มาบวชวัด น, นี้หนึ่งพันษาสึกไปนี่น้าหนักลดไปสิบโลรับรับประกันได้ใครอยากจะลดน้ำหนักสิบโลมาบวชหนึ่งพันษาดู ฉันมื้อเดียวแล้วก็ฉันตามมีตามเกิดตามบินธบาต ท, ที่นี่ไม่มีอาหารตามสั่งวัดอื่นเขายังสั่งได้นะวัดไหนกรุงเทพได้ข่าวว่าอยากกินอะไรโทรสัทบสั่งได้หรือสั่งเด็กให้ไปซื้อมาฉันได้แต่วัดนี้เราถือว่าการบินธบาตเป็นวัดอาอาหารที่เราได้จากการบินธบาตหรืออาหารที่ญาติโยมเอามาถวาย แล้วก็ต้องได้ตามลำดับพรรษาคืออาหารจะแบ่งกันตามลำดับพรรษาอาหารจะไปถวายให้กับพระที่มีพรรษามากก่อนแล้วท่านก็เลือกแล้วก็ค่อยเลื่อนลงมาถ้าเป็นพรรษาแรกนี้บางทีเป็นของเหลือเดนทั้งนั้นกินไม่ลงกินไม่ลงเลยน้ำหนักมันเลยลดกัน พราะเราไม่ต้องการหาความสุขจากการรับประทานอาหารการมีความสุขจากรับประทานอาหารก็จะเป็นอุปสรรคต่อการหาความสุขจากการหาความสุขภายในใจเพราะถ้ากินอิ่มถ้าเจออาหารอร่อยอร่อยก็กินมากกินจนอิ่มแน่นท้องเวลานั่งสมาธิก็สบายสงบเวลาเดินจงกรมก็ขี้เกียจเดินเดินไม่ไหวเพราะมันอิ่มมันไม่อยากจะ เดินอยากจะนอนแต่ถ้ากินอาหารที่ไม่ถูกปากนี้กินไม่ไม่ได้มากกินพอดับความหิวร่างกายก็จะไม่อิ่มมากเวลานั่งสมาธิก็จะไม่ง่วงเวลาเดินจงกรมก็ไม่ขี้เกียจเราจะต้องการจะทําใจให้สงบได้เราต้องจเจริญสติแล้ววิธีจเจริญสติที่ดีก็คือการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ เดินจงกรมแล้วใจเราก็สามารถถูกควบคุมได้ด้วยสติคือเราก็เดินไปบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือจะดูเท้าก็ได้ซ้ายขวาซ้ายขว า, า, ขวาเหมือนทหารเนี่ยเดินไปก้าวเท้าซ้ายก็่าซ้ายก้าวเท้าขวาก็่าขวาเป้าหมายก็คือต้องการควบคุมความคิดไม่ให้ใจไปคิดเรื่อยเปื่อยใจเหล่านี้ถ้าไม่คุมอันนี้มันจะคิดเรื่องน้นเรื่องนี้ ท่าว่าเป็นเหมือนกับลิงอะ่ะลิงมันจะขว่ยคว้าหากิ่งไม้ไปเรื่อยๆจากกิ่งนี้มันก็ไปกิ่งนู้นจากกิ่งนู้นมันก็ไปต่อกิ่งนั้นใจเราถ้าปล่อยให้มันคิดมันก็คิดได้คิดเรื่องนี้แล้วก็ไป ต, นนต่อเรื่องนั้นต่อเรื่องนู้นต่อไปเรื่อยๆคิดแล้วก็ไม่สงบคิดแล้วก็ไม่สบายใจคิดแล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาวุ่นวายใจแต่ถ้าไม่คิดนี้ใจจะว่างจะเย็นจะสบาย แ้วถ้านั่งเฉยๆไม่คิดใจก็จะดิ่งจะรวมเข้าสู่ฐานของใจของจิตเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่าสมาธิสมาธิคือฐานคือความสงบของจิตจิตนิ่งจิตไม่คิดปรุงแต่งจิตสักแต่ว่ารู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงอันนี้เรียกว่าสมาธิแต่เวลาที่เราจเจริญพุทโธพุทโธนี่เรียกว่าจเจริญสติ จิตจะสงบได้ก็ต้องมีสติก่อนถ้าไม่มีสติจิต ก, ก็จะคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดแล้วก็เกิดอารมณ์ ต, าต่างๆขึ้นมาอารมณ์รักบ้างชังบ้างกลัวบ้างหลงบ้างแล้วก็ต้องไปทํากิจกรรมตามที่ความคิดคิดถึงสุราเดี๋ยวก็เปี้ยวปากขึ้นมาคิดถึงการเล่นการพ น, นันเดี๋ยวก็ต้องไปเข้าบ่อนแล้วแต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้มันก็จะไม่มีเรื่องที่จะไปทํากัน มันก็จะนั่งเดินจงกรมไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆหรือดูเท้าซ้ายขวาไปเรื่อยๆเดินจนมันเมื่อยเลยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเลิกเดินให้มากบางสำนักนี่เขาฝึกให้เดินทีละห้าหกชั่วโมงถ้าอยากจะได้ผลดีต้องเดินแบบนี้อย่าไปเดินแค่ห้านาทีสิบนาทีแล้วก็เมื่อยแล้วอยากจะนั่งแล้วจิตมันยังไม่เข้าที่เข้าทางถ้าเดินสัก สอามชั่วโมงขึ้นไปนี่จิตมันจะนิ่งอ่ะทีนี้มันจะว่างถ้าเราควบคุมมันได้ถ้าควบคุมมันได้มันก็จะเดินได้ถ้าควบคุมมันไม่ได้เดี๋ยวก็เดินไม่ได้เพราะจิตมันจะไปคิดเลิกแล้วไม่อยากจะเดินแล้วแต่ถ้าจิตมันอยู่กับพุทโธพุทโธไปอยู่กับซ้ายขวาซ้ายขวาไปนี่ถ้ามันไม่คิดอะไรนี่มันจะนิ่งมันจะสบายแล้วมันเดินแล้วจะไม่รู้สึกทรมานมันจะเดินได้ยาว เดินได้ทีละหลายหลายชั่วโมงเดินเสร็จก็มานั่งต่อนั่งต่อก็นั่งได้ทีหลายชั่วโมงพุโทโธต่อไปหรือดูลมหายใจเข้าออกต่อไปต้องทำแบบให้มั น, นหนักๆมากๆถ้าทำทีละเล็กทีละน้อยนี่มันผลไม่ค่อยเกิดการเจริญสตินี่มันต้องเอาแบบเอาจริงเอาจังเอากันแบบ ให้มันเป็นกอ่อเป็นกรรมทำอะไรให้มันเป็นกอ่อเป็นกรรมอย่าทำทีละเล็กทีละน้อยอันนี้ผลมันจะไม่เกิดแล้วมันจะทำให้เกิดความท้อแท้เบื่อหน่ายเราจะสู้อำนาจของกิเลส ท, ที่จะดึงให้ไปคิดถึงกิจกรรมอย่างอื่นกันพอไปคิดถึงเรื่องกิจกรรมอย่างอื่นเดี๋ยวก็ต้องไปทำกิจกรรมนั้นกิจทำกิจกรรมนี้แลแล้วก็เพลิดเพลินมีความสุขกับมันแล้วเดี๋ยวพอเบื่อ ก็ทุกขึ้นมาหรือมีปัญหาจากการทำกิจกรรมก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาที่จะต้องมาคอยแก้กันต่อไปแต่ถ้าเราควบคุมจิตได้ให้อยู่กับพุทธโธพุทธโธได้อยู่กับการเดินได้นี่จิตมันก็จะเดินพาร่างกายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วใจจะยิ่งสงบเข้าไปเรื่อย พอมานั่งก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้ง่ายนั่งเวลาดิ่งก็เหมือนตกลุมตกบ่อจิตรวมเขาเรียกว่าจิตรวมจิตรวมเป็นหนึ่งถ้าปกติจิตเราจะกระจายออกมาเป็นห้าหกเป็นหมันจะกระจายมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางวะทางความคิดเนี่ยนี่คือจิตเวลาที่มันเป็นปกติมันจะกระจายมาทั้งหกทาง มันมีหกวิญญาณที่เรียกว่าจาักขุวิญญาณโสตะวิญญาณคือการมารับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและธรรมอารมณ์คือความคิดต่างๆแต่ถ้าเราใช้พุทธโธใช้สติมันก็จะดึงอารมณ์วิญญาณทั้งหกนี้ให้เข้ามารวมกันเป็นหนึ่งให้มารวมอยู่ในตัวจิตเหลือแต่สับแต่ว่ารู้รู้เฉย ไม่รู้รูปไม่รู้เสียงไม่รู้กลิ่นไม่รู้รสไม่รู้ความคิดอะไรมันดินกลับเข้ามาในจิตเข้ามาที่ฐานเข้ามาที่ตัวจิตตัวจิตก็คือตัวรู้ที่ส่งวิญญาณนี้ออกไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะและความนิธรรมอารมณ์ต่างๆแต่ส่งออกไปแล้วมันก็จะจิตก็จะวุ่นว่ารูปเสียงกลิ่นรสที่ได้รับรู้นี่มันมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์ เวลาสุขก็ดีใจเวลาเจอรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ก็เสียใจหรือดูแล้วไปรับรู้แล้วก็เกิดความอยากขึ้นมาชอบอันไหนก็อยากได้ไม่ชอบอันไหนก็อยากจะให้มันหายไปแต่บางของบางอย่างอยากให้มันหายมันก็ไม่หายเช่นเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้อยากจะให้มันหายมันก็ไม่หายยิ่งอยากก็ยิ่งทุกข์ใหญ่ เพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจอันนี้เป็นปัญหาถ้าเราปล่อยให้จะกระจายออกมาทางหกทางออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายมันก็จะไปรับรูร้รูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะและทาอารมณ์แล้วก็จะเกิดความรักความชังความกลัวความหนงุงความอยากขึ้นมาอยากได้อยากไม่ได้ ของดีก็อยากได้ของไม่ดีก็อยากไม่ได้บางทีก็บังคับมันไม่ได้อยากได้ก็ไม่ได้อยากไม่ได้ก็ห้าไม่ได้อยากให้ความเจ็บหายไปมันก็ไม่หายไปอยากให้นี่สินหายไปมันก็ไม่หายไปต้องใช้มันถึงจะหายแต่หาเงินมาใช้ไม่ได้อยากจะเอาเงินมาใช้ไม่มีเงินใช้มาใช้นี่ พาไม่ได้ใช้นี่กระทุกเนี่ยนี่แหละแต่ถ้าเราเดินจิตเข้าข้างในปั๊บลืมเรื่องราวต่างๆหมดเลยนี่ศีลจะมีกี่ร้อยล้านพันล้านก็ช่างมันเราไม่รับรู้เสอย่าง<ม>ร่างกายจะเป็นยังไงก็ช่างมันจะเจ็บจะตายก็ช่างมันถ้าจิตเข้าข้างในแล้วมันจะไม่รับรู้เรื่องราวของร่างกายไม่รู้รับรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับร่างกาย เป็นนี่เป็นศิลเป็นอะไรก็เรื่องของมันเขาจะเอาร่างกายนี้ไปล้มละลายก็ให้เอาไปจิตไม่ล้มละลายไปกับร่างกายถ้าจิตเข้าข้างในแล้วจิตจะไม่เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายเขาจะเอาไปจับเข้าคุกเข้าตารางเอาไปลงโทษประหารชีวิตก็มันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจิตไม่ไม่ต้องรับรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกาย อำนาจของสติจะทำให้จิตเรานี้อยู่ในที่ปลอดภัยอยู่ที่ฐานของจิตคือสมาธิจิตเข้าไปในฐานแล้วจิตจะเย็นจะสบายร่างกายจะเจ็บคข้ได้ป่วยเป็นโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆมันจะไม่รับรู้หรือถ้ามันรับรู้มันก็ไม่มันก็ไม่มีความรู้สึกลำคาญกับสิ่งที่มันรับรู้ บางทีมันไม่สงบเต็มที่มันยังรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสอยู่แต่มันจะเฉยจะไม่ราคาญกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาให้สัมผัสรับรู้จะเจ็บจะไม่เจ็บจะดีไม่ดีมันเฉยได้นี่แหละคือความสุขในใจของเราที่พวกเรากําลังมาศึกษากันกําลังมาหากัน ขอให้เรารู้กุญแจดอกสำคัญที่จะเปิดความสุขอันนี้ให้กับเราเปิดประตูที่จะพาเราเข้าสู่ความสุขภายในใจเราก็คือสตินีเ่เราต้องเอาสติมาสู้กับกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆ ค, ความโลภความโกรธความหลงนี่มันจะดันให้เราออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรส แล้วก็พาให้เราต้องไปวุ่นวายกับการหาหาลาบยศสรรเสริญหารูปเสียงเกิดลดกันหามาได้มากหามาได้น้อยก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนกันขอทานก็ไม่อิ่มไม่พอมาเศรษฐีระดับหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่อิ่มไม่พอเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีข้าวของเงินทองมากมายก่ายกองแต่จิตมันไม่มีวันอิ่มจากการไปทาตามความอยากต่าง เพราะความอยากนี้มันคือความไม่พอนั่นเองถ้าอยากจะให้จิตพอก็ต้องหยุดความอยากหยุดความอยากด้วยสติจิตเข้าไปสู่ความสงบปั๊บความอยากหยุดปับเนี่ยความอิ่มความพอก็ปรากฏขึ้นมาเป็นมหาเศรษฐีที่แท้จริงมหาเศรษฐีที่แท้จริงก็คือความมีความอิ่มความพอในใจเรานี่แหละตราบใดถ้าเรายังไม่อิ่มไม่พอ ต่อให้เป็นอะไรก็ตามต่อให้เป็นประธานาธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกมันก็ยังไม่พอเป็นประธานาธิบดีก็อยากจะเป็นไปจนวันตายบางประเทศนี้ตั้งประธานาธิบดีตลอดชีวิตเพราะอยากจะเป็นพอตายไปก็อยากจะไปเป็นเทวดาต่ออีกความอยากมันไม่มีวันสิ้นสุดมหาทะเลมหาสมุทรนี่ จะกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมันก็ยังมีขอบมีฝั่งแต่ตันหาความอยากนี้มันไม่มีขอบไม่มีฝั่งเหมือนท้องฟ้าเนี่ยลองส่งเครื่องบินจรลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าไปหาฝั่งหาขอบของท้องฟ้าดูเลยไม่มีวันเจอมันไม่มีขอบไม่มีฝั่งไปเท่าไหร่มันก็ไปไม่ไมสุดไปไม่ถึงไม่ถึงความอิ่มความพออยากจะให้ความอิ่มความพอเกิดขึ้นก็ต้องหยุดความอยากเท่นั้น หยุดความอยากได้พระความอิ่มความพอก็เกิดขึ้นความสุขที่เกิดจากความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นแล้วจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้เงินทองร้อยล้านพันล้านไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าได้มาแล้วมันก็ไม่ได้ให้ความสุขแบบที่เราได้จากการมีความพอความอิ่มนี้แล้วไม่ต้องดูแลรักษาอะไรความอิ่มความพอนี้ไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมาดูแลรักษาและความสุขแบบอื่นนี้ต้องคอยดูแลรักษาถ้ามันหมดไปเมื่อไหร่ความสุขก็หมดไปกับมันมีความสุขจากเงินร้อยล้านพันล้านก็ต้องมาดูแลรักษาเงินร้อยล้านพันล้านพอเงินร้อยล้านพันล้านหมดไปความสุขก็หมดไปแล้วบางทีมันจะหมดก็ห้ามมันไม่ได้บางทีจะต้องแยกทางกับมันก็ห้ามไม่ได้ ม้าเศรษฐีเวลาตายไปนี้เอาเงินร้อยล้านทันล้านไปได้เป่าเอาไปไม่ได้เอาไปได้แต่ความอยากความหิวความไม่อิ่มความไม่พออย่างนั้นถ้าอยากจะเป็นม้าเศรษฐีที่แท้จริงนี้ต้องมาทําใจให้เราให้อิ่มให้พอให้ได้วิธีที่จะทําให้ใจเราให้อิ่มให้พอก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ความอยากก็หยุดได้สอง ส อ, สองระดับระดับแรกก็หยุดด้วยสติแต่เป็นการหยุดแบบชั่วคราวเวลามีสติควบคุมความอยากก็หยุดไปแต่เวลาเผลอสติปล่อยให้ใจไปคิดเดี๋ยวไปเห็นอะไรเข้าก็อยากได้ขึ้นมาแล้วถ้าไม่มีสติหรือสติกาลังสู้ความอยากไม่ได้ก็มันก็จะทำให้เราต้องไปทําตามความอยากต้องไปทุกขกับความอยาก ถ้าอยากจะดับความอยากอย่างถาวร น, นี้ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะเป็นตัวที่จะดับความอยากได้อย่างถาวรปัญญาจะดับดิเลตได้ก็ต้องมีสติเป็นผู้คอยสนับสนุนให้กำลังสติจะให้กำลังปัญญาจะเป็นคนบอกว่าบอกว่าการทำตามความอยากนี้เป็นอันตราย ถ้าไม่มีปัญญาก็จะไม่รู้ว่าการทำตามความอยากนี้เป็นอันตรายแทนที่จะคิดว่าความอยากนี้เป็นศัตรูเรากลับไปคิดว่าเป็นมิตรเป็นมิตรก็เลยเอามาเลี้ยงมันเอามาดูแลมันแล้วมันก็มากัดเราทีหลังถ้ามีปัญญาปัญญาจะบอกว่าความอยากนี้เป็นข้าศึกศัตรูหมายเลขหนึ่ง พอมาเมื่อไหร่ต้องหยุดมันเมื่อนั้นอย่าไปทำตามมันทันทีมันอยากจะดื่มโซดาต้องไม่ดื่มทันทีอยากจะดื่มกาแฟต้องไม่ดื่มทันทีอยากจะกินในเวลาที่ยังไม่ถึงเวลากินก็อย่าไปกินมันอยากจะดูอยากทางอะไรที่ไม่จำเป็นจะต้องดูต้องฟังก็อย่าไปดูมันถ้าดูแล้วมันติดก็ยังไมันต้องดูอยู่เรื่อยๆฟังอยู่เรื่อยๆกินอยู่เรื่อยๆดื่มอยู่เรื่อยๆ เวลาไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แต่ถ้าเราไม่ทำมันจะจะไม่ทุกข์พอเราไม่ทำตามความอยากแล้วความอยากมันก็จะหายไปแล้วความอิ่มความพอก็จะเกิดขึ้นมาในใจเราอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาเราต้องหมั่นสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากให้เห็นคุณของการไม่ทำตามความอยาก เวลาไม่มีความอยากแล้วมสบายเห็นตอนนี้เรานั่งตรงนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีความอยากจะไปทําอะไรกันนะถ้ามีความอยากปั๊บ น, นั่งไม่ไหวแล้วคนที่ติดบุหรี่เนี่ยสมมุติถ้าติดบุหรี่นั่งอยู่สักพักหนึ่งอยากจะสูบบุหรี่เนี่ยเดี๋ยวขยับซ้ายขยับขวาเดี๋ยวทนไม่ไหวก็ลุบไปเพราะอยากแต่คนตอนนี้ถ้าไม่มีความอยากก็นั่งเฉยๆได้สบาย ความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขทำให้เราไม่อิ่มไม่พอทำให้เราหิวอยู่เรื่อยๆความอยากก็คือความหิวนั่นเองพออยากเราก็ต้องหาอะไรมามาทำเพื่อให้มันมันจะได้ไม่ไม่อยากแต่มันทำตามความอยากมันก็อยากมันก็หยุดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่อยากสูบบุหรี่อ่ะก็สูบบุหรี่ สูบปับความอยากสูบบุหรีเพรนั้นก็หายไปชั่วคราวเดี๋ยวสักพักหนึ่งกลับมาอีกละอยากจะสูบอีกละแล้วพอไม่ได้สูบก็หงุดหงิดลำคาญใจอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการทำตามความอยากและผลที่เกิดจากการที่ไม่ได้ทำตามความอยากเวลามันอยากแล้วไม่ได้ทำถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีความสงบในใจไม่มีสติ หยุดความคิดที่จะไปอยากเวลาอยากนี่มันจะทรมานเพราะมันจะคิดอยู่เรื่อยๆคิดถึงบุรี่เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีสติมีสมาธิมีกำลังเราจะสามารถหยุดความคิดไม่ให้มันไปคิดถึงบุรีได้พอไม่คิดถึงบุรีความอยากบุรีมันก็จะหายไปเราต้องฝึกฝึกใช้สติก่อนหยุดความคิดให้ได้ก่อนถ้าเราหยุดความคิดได้แล้วต่อไปเวลาเกิดความอยาก เราก็เอาปัญญามาสอนใจให้เห็นโทษของการทำตามความอยากพอเราเห็นว่ามันเป็นโทษเราก็จะมีกำลังใจมีเหตุผลว่าทำไมเราจะไม่ต้องทาไมเราจะไม่ไม่ควรทำตามความอยากเพราะมันเป็นเหมือนเอามีดมาทิ่มร่างกายเราเนี่ยเนี่ยเราความอยากนี้เป็นเหมือนมีดทิ่มจิตใจเราจิตใจเราดีตรงที่ว่ามันไม่เหมือนร่างกายทิ่มทลายมันไม่ตายแต่ทิ่มแล้วมันทรมานใจ เวลาใจทรมานเวลาคนที่อยากเสพยาเสพติดแล้วไม่ได้เสพเนี่ยมันทรมานใจไหมมันทรมานยิ่งกว่าเอามีดมาทิ่มร่างกายสิความทรมานใจความทุกข์ทางใจนี้มันร้ายแรงกว่าความทุกข์ทางร่างกายสิเพราะเกิดจากความอยากคนที่ไม่อยากเสพยาเสพติดไม่เห็นไม่เห็นทรมานเลยเวลาไม่มียาเสพติดเสพทรมานไหมตอนนี้เราไม่มียาเสพติดเสพกันเราต้องไปหาซื้อกันไหม หาซื้อยาบ้าหาซื้อยาอะไรต่างๆมาเสพกันนะเพราะเราไม่ได้ติดมันไม่มีความอยากที่จะเสพเหมือนเราเลยไม่เดือดร้อนกันแต่คนที่อยากเสพนี่มันต้องไปหามาที่มันอยากเสพเพราะมันเสพอยู่เรื่อยๆมันเลยติดเป็นนิสัยขึ้นมาตอนนี้เราไม่เสพแต่อลองไปเสพดูเสพเสพปับ๊บเดี๋ยวมันติดแล้วติดแล้วทีนี้เวลาไม่มีเสพแล้วเป็นยังไง นะตอนนี้พวกเราก็เสพยาเสพติดแต่มันชนิดที่ไม่ร้ายกาบ ด, ดุนแรงเหมือนกับยาเสพติดเราเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทภะกันเรายังดูหนังฟังเพลงกันยังกินยังดื่มอาหารต่างๆตามความอยากของเราอยู่อันนี้ก็เป็นการเสพติดอย่างหนึ่งที่เราต้องมาเลิกมันถึงเลิกยากให้เรามาเลิกเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะ ถ้าเรามาเลิกเสพราบยศสรรเสริญกันตอนนี้เรากําลังเสพกําลังติดราบยศสรรเสริญทุกวันนี้ตื่นแต่เช้าออกมาจากบ้านก็ไปหาราบยศสรรเสริญกันไปทํางานก็หาเงินเงินก็คือราบหาตําแหน่งทํางานดีๆเดี๋ยวเขาก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้ให้เป็นหัวหน้ากองหัวหน้าช่างหัวหน้าอะไรไปทํา พอแล้วได้ตำแหน่งได้เลื่อนขั้นเลื่อนชั้นก็ดีใจได้เลื่อนเงินเดือนก็ดีใจแต่พอเกิดบริษัทเจ๊งต้องปิดบริษัทตกงานก็เสียใจอันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนความสุขที่เราหาจากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกิน่นรสนี่มันไม่แน่นอนเราควบคุมบังคับมันไม่ได้สั่งให้มัน มีแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้มีแต่จเจริญ อ, อย่างเดียวไม่ได้ห้ามเสื่อมไม่ได้ถึงเวลามันจะเสื่อมก็เสื่อมได้ถึงเวลามันจะไม่เจริญมันก็ไม่จเจริญเวลาไม่จเจริญก็ทุกข์ละเคยขึ้นเงินเดือนทุกปีพอปีนี้เ้าบอกว่าวันนี้ปีนี้ไม่มีขึ้นเงินเดือนหรือปีนี้ไม่มีโบนัสแค่นั้ก็ทุกข์กันลวเพราะเคยได้อะไรแล้วพอไม่ได้มันก็ทุกข์ละ อันนี้หละคือความสุขที่พวกเรากำลังหากันความสุขที่จะต้องมีความทุกข์ตามมาเป็นเป็นขบวนวเป็นพวงบางทีทุกข์ถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายถ้าทุกข์มากมากถ้าเสียมากมากคนที่สิ้นเนื้อประดาตัวเนี่ยจะไม่มีความอยากจะอยู่ต่อไปเวลาเศรษฐกิจตกตังคเนี่ยคนฆ่าตัวตายกันเยอะดู ประวัติศาสร์ในสหรัฐในช่วงที่เขาเกิดยุคเศรษฐกิจตกต่ำมากนี้คนฆ่าตัวตายกันเยอะเพราะเป็นหนี้เป็นสินกันมากแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะที่จะไปใช้กันก็ต้องถกยึดบ้านยึดอะไรไม่มีที่อยู่อาศัยต้องไปอยู่เป็นคนจอระจัดนี่มันก็ไม่รู้จะอยู่อยู่ไปทำไมก็เลยฆ่าตัวตายกันนี่แหละคือผล พวงที่จะตามมาจากการที่เราไปหาความสุขจากราบยศสรรเสริญกันแต่ถ้าจะเป็นโชคถ้าเป็นช่วงเศรษฐกิจขึ้นก็ก็รอดตัวไปแต่ก็ต้องมาทุกในบ้านปลายของชีวิตอยู่ดีก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปอยู่ดีแต่ถ้าเรามาหาความสุขจากความสงบภายในใจของเราจากการหยุดความอยากได้นี่ จะไม่มีปัญหาไม่ว่าเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงไม่ว่าร่างกายจะแก่ไม่แก่จะเจ็บไม่เจ็บจะตายไม่ตายมันไม่เกี่ยวโยงกันความสุขภายในใจนี้ไม่เกี่ยวโยงกับร่างกายไม่เกี่ยวโยงกับเศรษฐกิจไม่เกี่ยวโยงกับราบยศสรรเสริญเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงราบยศสรรเสริญจะขึ้นจะลงรูปเสียงกินลดจะมาหรือไม่มาจะมีหรือไม่มี ร่างกายจะแก่หรือไม่แก่เจ็บหรือไม่เจ็บตายหรือไม่ตายไม่เกี่ยวกันตัวนี้ยังความสงบในใจยังสงบได้ตลอดเวลาถ้ามีสติมีปัญญาถ้ามีสติก็สงบเป็นพักๆสงบในช่วงที่มีสติเวลาเผลอสติในควบคุมจิตมันก็อยากขึ้นมาได้แต่ถ้ามีปัญญานี้มันก็จะกาจัดความอยากทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นมา ทุกครั้งที่เกิดความอยากก็ไม่ทำตามความอยากอยอมทรมานทนทรมานใจอยู่เดียวๆแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมันจะไม่ทรมานเพราะมันสามารถหยุดความทรมานได้หยุดความสั่นของใจได้ที่มันทรมานเพราะเราปล่อยให้มันสั่นขึ้นมาเองเราไม่มีเราไม่รู้จักวิธีหยุดมันพออยากอยากกาแฟพอไม่ได้ดื่มกาแฟใจก็สัน่นมือไม้ก็สัน่น แต่ถ้าเราฝึกสมาธิฝึกสติเป็นแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเดียวก็หายสัตว์แล้วก็จะไม่ต้องดื่มกาแฟดื่มแล้วเดี๋ยวก็ต้องไปดื่มอีกดื่มน้ําที่เราต้องการน้ำนั่งกายต้องการน้ําลดของกาแฟนี่มันไม่ต้องการมันไม่เกี่ยวกันกิเลสต้องการลดของกาแฟตันหาความอยากนี่ต้องการลดของกาแฟกลิ่นของกาแฟแต่ร่างกายนั่นต้องการเพียงน้ำเท่านั้นเอง ที่เราเดื่มนี่เราดื่มให้สองสองสองฝ่ายดื่มฝ่ายหนึ่งให้กับร่างกายร่างกายหิวน้ําก็เลยดื่มกาแฟกิเลกก็เลยได้ดื่มด้วยตัญหาความอยากก็เลยได้ดื่มด้วยแต่ถ้าเราอย่าดื่มเพื่อร่างกายอย่างเดียวอย่าไปดื่มเพื่อตัญหาแล้วก็ดื่มน้ําเปล่าไปเลยดื่มน้ำเปล่านี่รับรองไดไม่มีวันติดมันไม่มีรสไม่มีอะไรมันดื่มเมื่อมันร่างกายต้องการเนี่ยตอนนี้กําลังหิวเนย อะไรต้องดืมด่มดื่มน้วร่างกายมันก็เบามันก็สบายเย็นอ่านี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ถูกทางคือหาความสุขภายในเราภายในตัวเราหาของที่มีอยู่ในตัวเล้มันของมีอยู่ในตัวเรามันมีอยู่ตลอดเวลาของดีๆอยู่ในตัวเราเราไม่หากัน เรามัวแต่ไปหาไปหาของไม่ดีที่อยู่ข้างนอกกันหาแล้วก็มาวุ่นวายไปกับมันเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นของเราตลอดนะการที่จะหยุดความอยากได้เราก็ต้องมองว่ามันไม่ได้เป็นของเราเป็นของชั่วคราวนะได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันเวลาจากกันก็เสียหกเสียใจร้องหผงร้องไห้ นี่คือวิธีคิดที่จะทำให้เราไม่ทุกข์คิดที่จะทำให้เราสุข<ม>เวลาเห็นอะไรอยากได้อะไรก็บอกว่าเดี๋ยวมันเป็นความสุขเดี๋ยวเดียว ม, มันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องคืนเข้าไปเป็นของยืมมาเวลาได้ก็ดีใจแต่เวลาต้องคืนเข้าไปก็เสียใจให้คิดแบบนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์กับการสูญเสียของต่างๆที่เรามีอยู่ในขณะนี้ ต่อไปเราต้องเสียหมดเนี่ยของทุกอย่างที่เรามีอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามราต้องเสียหมดแล้วเราจะทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักคิดถ้าเรารู้จักคิดเราจะไม่ทุกข์เราจะคิดว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยเรายืมเข้ามาถึงเวลาจะต้องคืนเข้าไปก็คืนเข้าไปถึงเวลาจะต้องคืนสามีก็คืนไปถึงเวลาจะต้องคืนลูกก็คืนไปถึงเวลาจะต้องคืนร่างกายของเราก็คืนไปร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเรา ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่ไม่ใช่ของเราของเรามีอยู่ภายในใจเราไม่เราไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์คือสติกับปัญญานี่สองตัวนี้แหละเป็นของที่มีคนมีประโยชน์กับเราแต่เราใช้มันไม่เป็นเหมือนกับมีมีรถวิเศษแต่ขับไม่เป็นไปไปใช้รถที่ไม่วิเศษไปยืมรถของคนอื่นมาขับเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาขอ ขอคืนก็ต้องคืนเข้าไปไม่หัดมาขับรถที่มีอยู่ในใ น, ในตัวเราของเราเศรษฐีปัญญาเนี่ยเป็นตัวเป็นรถที่จะพาจิตของเราให้ไปสู่ความสงบสู่ความสุขที่ถาวรที่แท้จริงเราไม่เอาชักขับไม่เป็นใช้สติไม่เป็นใช้ปัญญาไม่เป็นกันเราเลยไปยืมรถของคนอื่นมาขับกันขับแล้เดี๋ยวเขาก็มาทวงมาขอคืนไป ปหาความสุขภายนอกซึ่งไม่ใช่เป็นของเราความสุขภายในเป็นของเราหาไม่เป็นตอนนี้เราเจอคนที่หาเป็นแล้วคือพระพุทธเจ้าพระอริยสงสาวกเนี่ยท่านมาสอนเราแล้วว่าให้มาหาความสุขภายในใจดีกว่ามาหัดใช้สติใช้ปัญญากันมาฝึกสติกควบคุมความคิดสติให้จิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวถึงจะเรียวกว่ามีสติ อยู่กับพุทโธพุทโธอย่างนี้เรียกว่ามีสติอยู่กับการกระทําต่างๆของร่างกายก็มีสติอย่าไปอยู่กับความคิดทําอะไรก็ให้อยู่กับเรื่องเรื่องที่เรากําลังทําอยู่หรือถ้ามันจะไปคิดก็ให้มันคิดแต่พุทโธพุทโธอย่างเดียวสกัดมันไว้ถ้าบังคับให้มันอยู่กับการเดินไม่ได้เดินแล้วมันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ใช้พุทโธสกัดมันไว้อย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ คิดแล้วเดี๋ยวจะเกิดความอยากตามมานี่คือการฝึกสติพอมีสติแล้วต่อไปก็ฝึกปัญญาสอนปัญญาให้มองว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของปัญหาทั้งปวงของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าไปทําตามความอยากสามประการอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในลาบยศสรรเสริญอยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไม่เป็นอยากไม่เสีย ได้มาแล้วไม่อยากเสียกันได้ลาบยศจัลเสริญแล้วไม่อยากเสียกันเสียก็ทุกไม่อยากได้ไม่ได้ก็ทุกอย่าไปอยากมันหยุดความอยากทั้งสามนี้กามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาความอยากอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ไม่ต้องไม่ต้องหยุดเัมนออยากจะหยุดความอยากนี้ดีอยากอยากจะรักษาศีลดีอยากจะทำบุญนี้ดี อยากจะนั่งสมาธิดีอยากจะปฏิบัติธรรมนี่อันนี้เป็นความอยากที่ดีเป็นความอยากที่จะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาอันนี้คือตอนนี้เราโชคดีมาเกิดในยุคที่มีคนรู้เรื่องนี้รู้จากวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่มีอยู่ในตัวเราถ้าไปเกิดในยุคอื่นสมัยอื่นภพอื่นอาจจะไม่มีคนมาสอนถ้าไม่มีคนมาสอนเราก็จะไม่มีวันที่จะ รู้เรื่องราวของความสุขที่มีอยู่ในตัวเราเราก็จะไปหาความสุขแบบที่เราหากันอยู่ในตอนนี้หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็มาร้องห่มร้องไห้มาเศร้าโศกเสียใจเวลาที่มันจากเราไปเวลาที่มันหมดไปเวลาที่หาไม่ได้อยากแล้วไม่ได้แต่ยุคนี้เรามีคนที่รู้จักความสุขที่แท้จริง มาสอนเรามาบอกเรามาเตือนเราขอให้เรารีบตักตวงประโยชน์จากความรู้เหล่านี้เถิดเพราะนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งแล้วนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดต่อไปขอให้เพียรพยามติดตามคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติฟังแล้วก็ต้องปฏิบัติ ท้าไม่ปฏิบัติผลก็ยังจะไม่เกิดการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่เกิดผลการฟังเหมือนดูเหมือนกับการฟังฟั ง, ฟ, งฟังว่าทิศ ท, ทางที่เราจะไปนี่ไปอย่างไรจะไปถึงทิศ ท, ทางจุดหมายปลายทางที่เราต้องการไปได้ก็ต้องออกเดินทางสมมติเราอยากจะไปเชียงใหม่เราไม่รู้จากทางเราก็ถามคนที่เคยไปเชียงใหม่มาเขาก็บอกว่าไปทางนี้นะทางนั้นนะ พอเรารู้ทางแล้วเราก็ต้องออกเดินทางกันถ้ารู้แล้วยังไม่ออกเดินทางก็ยังไปไม่ถึงเชียงใหม่ตอนนี้เราพกคนที่รู้จักทางสู่ความสุขภายในใจแล้วว่าต้องสร้างสติต้องสร้างปัญญาขึ้นมาถ้าเราไม่มาสร้างสติไม่มาสร้างปัญญาเราก็จะไม่ไปถึงความสุขภายในใจได้คนที่บอกทางไม่สามารถเอาความสุขภายในใจมาให้กับเราได้ ไม่สามารถพาเราไปสู่จุดนั้นได้เราต้องเป็นคนที่พาเราไปเองเรา ต, ต้องมาปฏิบัติกันมาเจริญสติมาเจริญปัญญากันพอเราเจริญสติเจริญปัญญาแล้วเราก็จะไปถึงจุดนั้นอย่างแน่นอนเพราะคนที่เขาเจริญสติเจริญปัญญาเขาไปถึงกันทุกคนภาษาวกทุกคนนี้ก็เป็นเหมือนพวกเราตอนต้นก็ไม่เคยรู้จักเรื่องสติเรื่องปัญญาไม่รู้จักเรื่องความสุขภายในใจ ก็รู้แต่เรื่องหาลาภยศสรรสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพอได้พบกับพระพุทธเจ้าได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ก็เกิดศรัทธาลองเอาไปปฏิบัติดูลองเจริญสติดูลองเจริญปัญญาดูก็ได้ผล ท, ทันทีได้ถึงจุดหมายปลายทางทันทีได้เป็นพระสาวก ท, ทันทีดังนั้นขอให้เรามีความเชื่อมั่นว่า คำสอนของท่าเจ้านี้เป็นเรื่องของเหตุของผลเป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนไปกับยุคสมัยหรือการเวลาสมัยพระพุทธการเหตุผลอันนั้นเป็นอย่างไรสมัยนี้เหตุผลอันนั้นก็ยังเป็นนนั้เหมือนกันอยู่ถ้ามีเหตุผลก็จะเกิดถ้ามีสติมีปัญญาความสุขภายในใจก็จะต้องเกิดขึ้นมาอย่างแน่ น, นอนถ้าเรามีความมั่นใจยอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ทุ่มเท เ ว, เวลาเวลาชีวิตจิตใจให้กับการเจริญสติกับการเจริญปัญญาแล้วรับรองได้ว่าความสุขภายในใจที่จะอยู่กับเราที่จะเป็นของเราไปตลอดนี้ก็จะปรากฏขึ้นมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครลันเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปัติตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติ พระโสยะถาสัพพ so mm ิตโยวิวาชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาเทนะสีริสะนิจจังวุฒาปะจายโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลัง ใครที่มาที่หลังถ้าอยากจะถวายข้าวของก็เข้ามาได้นะใครยังไม่ได้รับหนังสือต้องการจะมาหยิบไปก็ได้หนังสือประวัติพระอาจารย์ม่านนี่เป็นหนังสือที่ดีนะประวัติของคนธรรมดาที่กลายเป็นพออาาระอรหันต์ขึ้นมาท่านเป็นได้ยังไงอยง่โอกาสหน้ามาใหม่น ะ, ะมาบ่อยๆมาเรื่อยๆต้องถือเป็นเป็นที่นั่นหมาย ต้องตัง้งตั้งสเกจเจอไว้ว่าอ่เดือนหนึ่งต้องมาสักครั้งสองครั้งอะไ ร, ส, รไไะสามครั้งก็ได้สี่ครั้งก็ได้ <laughs> <laughs> ครั้งเดียวมากพอแล้วเหรอ <laughs> <laughs> ไม่น่าติดใจอาจจะมันอยู่ยาวเลย ก็กงก็งงมีขั้นตอนอยู่ทังหมนี้มันที่อยู่ของพระความจริงเขาเขาจะให้แต่พระอยู่แต่ถ้ามีที่ว่างถ้าถ้ามาคนเดียวก็อาจจะให้อยู่ได้พอดีจะย้ายเข้าบ้านนะคะแล้วแลวดูเลิกทีเป็นมาทุกวันคลยค่ะดีทุกวันอะ ถ้าบ้านมันพร้อมยิเมื่อไหร่หก็ดีถ้าน้ําไฟยังไม่พร้อมก็ไม่ดี <c oughs> มันไม่ได้อยู่ที่เลือกทียามันก็ยังไม่ครับ พ, พอดีเจนอมเจปนามแล้วอ่นั่นหละเอ่อวนนีเป็นูกสก า, ายอะค่ะสก า, ายเขาอยากย้ายเข้าพุงนี้แล้วเจนอมคับชั้นว่ะเดือนสิบมันไม่ดีนะอะไรงเงยอ่ไม่ต้องไปฟังหรอกดูที่บ้านมันพร้อมรึเปล่ามันอยู่ที่เดือนงั้นใช่ไหมค่ะถ้าน้ําไม่มีไฟไม่มีก็อย่าพึ่งเข้าไปแม่บอกว่าไม่เชื่อหรอกถ้า เชื่อแต่พระอาจารย์สทรใ่าวพระอาจารย์เลยหนูก็เลยมาราพระอาจารย์ข่าววันนี้เก็บอกว่าไงอยู่ที่บ้านจะไปดูที่เดือนถ้าบ้านมีไฟมีน้ําอยู่แล้วสะดวกสบายก็เข้าไปอยู่เลยถ้าบ้านยังหลังคารั่วอยู่น้ํายังไม่มีก็ซ่อมทําให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าไปอยู่นะมันไม่มีเลอกวิายามหรอกเราไปเชื่อกันขึ้นมาเองเป็นเรื่องตุ่ตะเข้าใจยไหม สบายใจได้นะถ้าบ้านมีกุญแจปลอดภัยอยู่แล้วขโมงไม่เข้าเข้าไปอยู่ได้เราอยู่ยุคไหนเนี่ยยังเชื่อเรื่องลาหูนี่อยู่เนี่ยยุคเขาไปถึงดาวังคารแล้วยังมันเชื่อเรื่องเรื่องเรื่องยามอยู่อ้อะไรกันเนี่ยยังเชื่อเรื่องราหูบูชาลาหูด้วยของดำแปดชนิดเนี แสดงว่าไม่มีปัญญาเลยไม่มีความรู้เลยพุทธศาสนาฉันสอนเลิกสะดวกคือทาทุกอย่างสะดวกก็นั่นแหละเลิกเลิกดีแต่อันนี้ก็ไม่สะดวกขัดตรงนั้นขัดตรงนี้ก็แสดงว่าเลิกไม่ดีน้ำก็ยังไม่มีไฟก็ยังไม่มาแสดงว่ายังไม่สะดวกยังไม่สบาย เลือกสบายเป็นหลักถ้าสะดวกสบายอันนั่นแหละเป็นเรือกที่ดีมีเงินจ่ายค่าบ้านซื้อบ้านแต่ยังไม่มีจ่ายค่าบ้านก็ยังเข้าบ้านไม่ได้ถึงแม้หมอดูบอกวันวั น, น, นดเีเข้าก็เข้าไม่ได้คนขายบ้านก็ไปขาไม่ได้เพราะเง น, น, นยังไม่ยังไม่ถึงใช่ไหมมันใช้เหตุใช้ผลด้วยมัน อย่าไปใช้ความเชื่องมงายช่วยเชื่อดวงสช่วยดวงดาวดวงอะไรมันดวงดาวมันรู้จักตัวมันเองที่ไหนเราไปตั้งชื่อให้มันแล้วก็ไปว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วดวงดาวมันอยู่ไกลแสนไกลเราเคยไปถึงตัวมนุษย์เปี่ยดาวที่เราเห็นแต่เราดวงเนี่ยมันอยู่ไกลขนาดไหนมันไม่มีอะไรกับเราหรอกเราเพียงแต่ไป ตังเรื่องราวขึ้นมาหลอกตัวเราเองเอยัางานวันนี้ทางเ a c e b o o เข้ามาเท่าไหร่ทางเ c e b o o k สูงสุด429ค่ะทาง y o ย t u b บ132ค่ะแล้วทางบ้านเขาเริ่มต่อแล้วเลยอยัทางบางละมุงทีวีตอนนี้ตอนนี้ถ่ายทอด น, นะครับช่องหนึ่งนะครับช่องหนึ่งเคเบิล บ, บางละมุงทีวี การมีการมีเคเบิลของบางละมงทีวีก็เปิดดูได้ถ่ายทอดสดเลยเลยถ้าสดเลยครับเราจะเป็นช่องธรรมะตลอดเลยนะช่องธรรมะเลยอ่าช่องเบอรหนึ่งถ้าไม่สดก็ไปดูย้อนหลังเอาของเก่ามามาเปิดให้ดูตลอดยี่บสี่ชั่วโมงคนะตอนตอนที่กาลังสดอยู่นะฮะถ้าแจ้งขึ้นมาแล้วว่าเสียงเสียงชัดใช่ได้ครับภาพเป็นเจ็ด้อยี่สิบพีนะครับอย่างยังไม่ติดไอเด้นะครับโอเคครับก็ใช้ได้นะใช้ได้แล้ว อันนี้คนที่เข้าเน็ตไม่ได้มีเคเบิลก็สามารถดูได้ถ้ามีช่องให้เข้าโทรส่งข้อความก็มาถามปัญหาได้ก็ดีนะต้องต้องทางเ c e b o o k นะถ้าอยากจะถามปัญหาก็ต้องเข้าทางเ e b o o ๊หรือทางยูทูบคือตอนนี้ช่องที่เขาใช้เ็าใช้ทางเขาใช้ทาง u ูทูเร า, า, าไป มาเห็นคนที่ดูเคเบิลถ้าเขาอยากจะถามปัญหานี่ก็ต้องให้เขาเข้าไปทางยู u ูบนะหรือ Facebook แล้วก็ส่งข้อความเข้า YouTube นี่เป็น Channel เป็นสตรีมมิ่งหรือเปล่าครับเด็กสตรีมมิ่งครับอ๋อนี่ครับก็ไลฟ์เลยใช่ไหมครับไลฟ์เลยไลฟ์เฉพาะช่วงนี้ 2-4 งถึงสี่แล้วแล้เสร็จแล้วก็เก็บเป็นไฟล์ไว้ดูย้อนหลังได้หลังจาก4ี่โมงไปก็ต้องดูย้อนหลัง แล้วคนติดตามนี่เขาก็จะส่งข้อความเข้ามามีคําถามอะไรไหมมีมทางต่างชาติไหมวันนี้ต่างชาติไม่มีค่ะอืคําถามจากคุณชิค่ะขอโอกาสพระอาจารย์ช่วยบอกเคล็ดลับในการทําสมาธิเพื่อให้เข้าอัปนาสมาธิให้ได้ครับก็เนี่ยต้องฝึกสติให้มากมากฝึกสติตลอดเวลาเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับให้มีแต่พุโทโธพุโทโธอย่างเดียว จะไม่ไปคิดอะไรจะทำอย่างนี้ได้ต้องไปบวชหมือไปอยู่คนเดียวไม่มีงานทำไม่ต้องทำอะไรเพราะเวลาทำงานมันต้องคิดคิดมันก็พุโทโธไม่ได้ยั้นคนที่จะเข้าปัปญาสมาธิได้ส่วนใหญ่ต้องเป็นนักบวชถ้าไม่เป็นนักบวชนี่มันไม่มีําลังที่จะสร้างสติพอที่จะดึงจิตให้เข้าไปข้างในได้ยิ่นต้องไปอยู่แบบทังบวช ถ้าไม่ได้บวชก็ต้องอยู่แบบนักบวชไม่มีงานทํามีแต่งานเจริญสติเพียอย่างเดียวเด่นขึ้นมาลืมตาก็พุโทโธพุโทโธไปเลยอาบน้ําแปรงฟันนั่งหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารก็พุโทโธเสร็จแล้วก็เดินจงกรมก็พุโทโธเสร็จแล้วก็มานั่งก็พุโทโธพุโทโธถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะเข้าได้แต่ถ้าวันวันหนึ่งไปคิดไปทํางานแล้วกลับมาบ้านตอนเย็นไม่นั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงนี้โอย มันพุโทโธได้สองสามคำก็หายไปแล้วความคิดต่างๆที่เคยคิดอยู่ทั้งวันมันก็กลับมาอยู่ต่อมันก็ไม่มีวันที่จะเข้าข้างในได้ยังต้องหมั่นฝึกสติให้มากๆหมั่นฝึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปถ้าเบื่อพุโทโธก็เปลี่ยนเป็นอิติปิโสบ้างก็ได้อิติปิโสร้อยจบส่วนอิติปิโสภาควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธไป คำถามเจ้าคุณประเสริฐค่ะต้องทําบุญด้วยปัจจัยเยอะๆถึงจะได้บุญเยอะเลยครับถ้าเรื่องของทําบุญในปัจจัยมันก็ต้องบุญอยากจะได้บุญเยอะก็ต้องใช้ปัจจัยเยอะแต่ถ้าอยากจะได้บุญเยอะที่เดยไม่ต้องใช้ปัจจัยก็รักษาศีลไปเลยนั่งสมาธิไปอันนี้ก็จะได้บุญเยอะกว่าการใช้ปัจจัยนั้นคนที่ได้บุญเยอะนี้มันจําเป็นจะต้องเป็นเศรษฐีคนที่ได้บุญเยอะนี่ส่วนใหญ่จะเป็นขอทานก็เป็นพระนึง บ้นนี้ก็เป็นขอทานทั้งนั้นเลยเช้าก็ไปบินตะบะเนี่ยเพราะไม่มีเงินแต่มีเวลามีเวลาที่จะฝึกสติฝึกสมาธิก็จะได้บุญเยอะกว่ามหาเศรษฐีเาให้ทําบุญเป็นย้าภาพกรถินน้อยล้านพันล้านก็สู้ไปเป็นภาพไปนั่งสมาธิไม่ได้บุญได้ต่างกันบุญที่ได้จากการทําทานนี้เป็นเหมือนเงินเหรียญเงินเหรียญเนี่ยเงินเหรียญมีอะไรบ้างะ่ะ เหรียญบาทเหรียญสิบใช่ไหมลองนึกคิดดูได้ว่าได้เงินเหรียญนันสิบมาทักเท่าไหร่มากน้อยเท่าไหร่มันสู้เงินที่เป็นแบงค์แบงค์พันได้ไหมแบงค์พันใบเดียวนี่นั่งสมาธิปั๊บได้พันหนึ่งทําบุญทําทานทั้งวันทั้งคืนได้เหรียญได้เหรียญบาทเหรียญสิบมาเนี่ยมันจะมันจะสู้กันได้ป่ะงั้นถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องกังวลนักษาสีลไปสิ นั่งสมาธิไปเลยแต่ถ้าพูดเรื่องบุญเเกี่ยวกับเรื่องใช้เงินมันก็ต้องดูที่ปริมาณเงินเนียอย่างนี้มันก็ไม่มันก็ไม่แฟร์สิะ่ะคนทําบุญหบาทกับคนทําบุญห้าพันก็ได้บุญเท่ากันนี้ใช่ไหมคนคนเดียวกันเนี่ยไม่ใช่ไม่หมายถึงไม่ไม่ใช่คนอื่นคนคนเดียวกันเนี่ยทําบุญหบาทกับทาบุญห้าพันได้บุญเท่ากันแล้วเรื่องอะไรไปทำบุญห้าพัน้งนันเสียงยทาไมใช่ไหมก็ทําแค่ห้าบาทก็พอเลยจริงไหม มันทําบ้างมันก็ได้มากเหมือนกับเอาไปซื้อของซื้อของจ่ายเงินมากก็ได้ของมากเนี่ยซื้อข้าวซื้อข้าวห้าร้อยบาทกับซื้อข้าวห้าพันบาทนี้จะได้ข้าวมากน้อยต่างกันนะงั้นถ้าเรื่องของบุญที่จากการใช้เงินแล้วในเรื่องของคนคนเดียวกันเนี่ยความบุญที่ได้เนี่ยมันมันอยู่ที่ปริมาณเงินที่เราจ่ายไป หรือไม่เงินก็เป็นเรื่องของอื่นก็ได้เข้าของเงินของดางอื่นก็ได้ไม่เงินก็ได้ใช้ทองก็ได้ให้ทองก็ได้คืออะไรที่เราเสียสละไปเนี่ยมันก็จะเป็นบุญขึ้นมาคําถามจากคุณปียพรค่ะการที่พยายามทําใจให้สงบโดยบริกรรมคำภาวนาไว้ตลอดเวลาจะทําได้อย่างไรคะถ้ายังต้องทํางานที่ใช้ความคิดค่ะตอนนั่นนรเยก็ถึงบอกว่าก็อย่าไปทํางานเล มันหยุดไงวันที่ไม่ทำงานก็ทำได้นะทำไมวันที่ไม่ทำงานไม่ทำ่ะมันไม่ทำงานก็ไปเที่ยวกันเองอะไั้ไอมมันมามาอ้างว่าทำงานแต่วันวันที่ทำงานนี่ไม่อ้างอะก็วันไม่ทำงานก็มีไม่ใช่หรยอไม่ทำงานเจ็ดวันไม่ใช่หรออาทิตย์หนึ่งก็ทำแค่ห้าวันอีกสองวันไม่ทำก็มาพูดโทรได้ ทางจะคุณษาลี่ีค่ะช่วงเข้าพรรษาถือศีลแปตลอดพรรษาพอออกพรรษาแล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะกลับมาถึงศีลหแล้วถือศีลแปเฉพาะวันทักทาแบบนี้โยมคิดเอาเองก็คงไม่ก้าวหน้าค่ะช่วยแนะนําการปฏิบัติต่อไปด้วยค่ะอมันต้องทํามากขึ้นแต่ไม่ใช่จะทำให้น้อยลงเหมือนล่น่ะถ้าเหยียบคันเร่งแค่80ิบมันก็วิ่งแค่80บถ้าผปลดคันเร่งเหลือ60สิมันก็ช้าลงเลย ถ้าอยากให้มันไปเร็วรก็เหยียบมันให้ถึงร้อยสิถะาก้าวภาษาถือศีลแปดออกมาก็ถือทุดดงต่อสิเพิ่ม เ, มเมิเพิ่มข้อทุดงเข้าไปเสริมแทนที่จะกินแค่เที่ยงวันก็เอาแค่มื้อเดียวอาจจะกินสองมือ้อไม่กินหลังเที่ยงวันก็ลดเหลือมื้อเดียวอะไรทาํานองนี้เพิ่มปฏิบัติการปฏิบัติให้มันเข้มข้นมากขึ้นไป คำถามจากจากคุณรัชนาค่ะก่อนที่ยายหนูจะเสียท่านได้เก็บเงินไว้ให้ทอดท่าป่าให้ท่านในวันเผาอย่างนี้ยายเขาจะได้รับคุณไหมคะไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาตายไปแล้วเขาไม่รู้ว่าเงินที่เขาฝากนี้คนเอาไปทำให้เขาหรือเปล่าเขาอยากจะได้ก็ต้องําตอนที่เขายัางไม่ตายเขาจะได้รู้ว่าเขาได้ทำแล้วคาถามจากคุณสิริค่ะการนั่งสมาธิ เมื่อมีการตกหลุมแล้วนิ่งอยู่เฉยๆไม่รู้ถึงอะไรเลยครั้งหลังๆมาไม่มีตกหลุมได้ไหมคะได้บางทีก็ไม่ตกก็ได้เข้าไปแบบนุ่มๆเข้าไปแบบไม่พวดพลานที่พวดที่มันตกหลุมคือพวดเข้าไปแบบพวดพาดนะคำถามจากคุณภาวดีค่ะ การอยู่กับคนที่ติดการพ น, นันจะมีวิธีคิดอย่างไรที่ทําให้มีความสุขคะเดือดร้อนใจตลอดเวลาคะเกีิดว่าเงินของเขาไม่ใช่เงินของเราแล้วกันถ้าเราไปคิดว่าเป็นเงินของเรามันก็ไม่สบายใจเกี่ว่าเป็นเงินของเขาเขาจะใช้ก็ใช้ไปหมดก็หมดไปเราอย่าไปคิดว่าเป็นเงินของเราบางทีภรรยาสามีเป็นสมบัติร่วมกัน แตส า, สามีกขาไปเล่นการพนันภรร ย, ยาก็ไม่สบายใจถ้า ว, วิธีนี้ก็คือแบ่งสมบัติกันเลยของฉันก็เป็นของฉันของเธอก็เป็นของเธอของเธอเธอจะไปเล่นก็เรื่องของเธอคําถามจากคุณพีโกนค่ะจากเรียนถามพระอาจารย์คนสัตว์เป็นขันห้าส่วนต้นไม้จะเป็นขันสี่หรือไม่มเพราะว่าไม่มีวิญญาณขันค่ะเป็นขันเดียวเป็นเป็นรูปประคัน เป็นทเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนามะขันไม่มีนามะขันนี้ต้องเป็นเดรัชฉานกับมนุษย์ถ้าถ้าเทวดาก็มีขันสี่ไม่มีรูปประขันไม่มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแต่ยังมีนามะขันอยู่ถ้าเป็นคมก็เหลือขันเดียวเหลือตัวจิตจิตรวมเป็นเป็นสมาธิสักแต่ว่ารู้เป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่ง เหนือวิญญาณขาคารตัวเดียวตัวรู้ตัวเดียวก็เป็นภูมิคำถามจากคุณปานิสาค่ะคุณลุงท่านป่วยจนมาถึงการรักษาขั้นสุดท้ายท่านรู้ว่ารักษาคงไม่หายตอนนี้ท่านรอแต่เวลาให้ร่างกายดับเองแต่สติตท่านรู้ไม่เคยบวดเจ็บท่านนอนก็พูดโธตื่นก็พูดโธคุณลุงทําแบบนี้ถือว่าคุณลุงทําถูกไหมคะถูกแล้วค ตก็จะสงบเป็นสมาธิตายไปก็ได้ไปเป็นพรมถ้าอยากจะให้คุณลุงไปสูงกว่านี้ให้คุณลุงพิจารณาร่างกายว่าไม่ใช่เป็นร่างกะไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาเป็นของขวัญที่พ่อซื้อมาให้พ่อแม่ซื้อมาให้เราเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งถ้าเราปล่อยวางร่างกายได้ไม่ไปทุกข์กับร่างกายได้ก็จะไปเป็นโสดาบันไดคาถามจากคุณปาณีค่ะ การที่เราฝากปัจจัยเขาไปทําบุญจะได้บุญไหมคะได้ได้ถึงแม้ว่าเขาจะเอาไปใช้ก็เราก็ยังได้บุญอยู่เหงแต่ว่าผู้ที่เราตั้งใจจะให้รับไม่ได้รับเท่านั้นเองแต่เราการเสียสละของเราก็เหมือนกันเราเสียสละไปแล้วภายในใจเรานี่เราไม่มีความหวงมีความตณ์หนีกับเงินก้อนนั้นแล้วใจเรามีความสุขจากการเสียสละแล้วแต่ถ้าเกิดเรามารู้ทีหลังเราอาจจะไม่ได้ก็ได้ เพราะเราอาจจะไปยึดติดกับการที่ว่าจะต้องให้ไปให้ถึงที่นั่นให้ได้ถ้าไปไม่ถึงที่นั่นก็เราก็ยังไม่พอใจขึ้นมามันก็ทำให้แทนที่จะมีความสุขใจก็กลายเป็นความทุกข์ใจขึ้นมาได้แต่ถ้าคิดในมุมกลับว่าเราให้ไปแล้วมันจะไปถึงที่ไหนก็เรื่องของมันก็จะได้อยู่เหมือนกันแต่เราตั้งใจฝากให้เขาไปวัดแล้วก็ขอยืมไปใช้ก่อนก็<ๆ>นนคิดก็ให้มันก็ถือว่าก็ให้คนนี้ไปแทนก็แล้วกัน ถ้าเราคิดอย่างนี้ก็ยังได้ความสุขอยู่แต่ถ้าเราคิดว่าต้องไปถึงว่ดถ้าไม่ไปถึงว่ดเราเสียใจโกรธไอคนนี้ความสุขใจก็จะไม่ได้ละความทุกข์ใจก็จะได้กลับมาแทนเพราะเป็นกิเลสละคำถางจะคุณสุภัชตาค่ะการที่เราจําเป็นต้องให้สินบนเพื่อให้ขายสินค้าได้แม้สินค้าเราจะดีแต่ถ้าไม่ให้สินบนก็ยากที่จะขายสินค้าได้ถือว่าผิดศีลไหมคะถ้ามันผิดกฎหมายมันก็ผิดศีลใช่ไหม ก็คือกฎหมายก็มีว่าห้ามไม่ทําทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เป็นการช่อบโกงเพราะว่าต้องมีใครเสียประโยชน์ถักคนหนึ่งใช่ั้ยคนที่เสียประโยชน์ก็คือรัฐบาลหรือใครก็ตามเช่นเจ้าหน้าที่ตารวจจะปรับเราอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ออกใบเสร็จให้เขาจะปรับน้อยหน่อยถ้าปรับมากก็ออกถ้าออกใบเสร็จก็ต้องปรับมากหน่อยเราอยากจะเสียน้อยเราก็เลยเอาไม่เอาใบาเสร็จอี้ย แต่คนที่เสียประโยชน์ก็คือรัฐบาลนะก็ <aha. S 1> เหมือนกับขโมยเงินของรัฐบาลมาขโมยเงินของรัฐบาลคำถามจากคุณสุขุมค่ะ <c oughs> เวลานั่งสมาธิตอนแรกแรกหลังตรงพอนั่งไปหลังชอบงอครับชอบตังวลครับนั่งหลังตรงหลังงอมีผลต่อนั่งสมาธิไหมครับไม่มีหรอกเวลาเรานั่งแล้วเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องของร่างกายให้สนใจอยู่กับพุโทโธ ให้ใจมีอยู่กับพุโทโธอย่าไปกังวลกับร่างกายเพราะกังวลแล้วมันจะไม่สงบลืมเรื่องร่างกายไปมันจะงอบ้างไม่งอบ้างเอน็นไปทางซ้ายเอน็นไปทางขวาบ้างมันห้ามมันไม่ได้แล้วละเพราะเราไม่ได้ไปคอยควบคุมบังคับร่างกายเราต้องการปล่อยร่างกายเราต้องการแยกใจออกจากร่างกายโดยการใช้พุโทโธพุโทโธดึงดึงใจออกจากร่างกา ย, ยงั้นเวลาร่างกายจะเอน็นบ้างจะงอบ้างไม่เป็นปัญหาแล้ว ปล่อมัไค๊ า, าคถามจากคุณอินทร์ค่ะกรณีมีความตั้งใจทํางานจัดกิจกรรสาธารณะกุศลแล้วเจอผู้มีความเห็นต่างในวิธีการแล้วเกิดความขัดแย้งแล้วหวั่นทอนให้ไม่บรรลุปเป้าหมายขอหลักการปฏิบัติวางใจอย่างไรให้มีผลที่ทําให้มีกําลังใจเดินหน้าทํางานต่อได้คะก็คิดว่าเป็นเหมือนกับขับรถไปบนทนอน้องถนนน บางทีเราตั้งใจจะให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเวลานั้นแต่รถติดบ้างรถอุบัติเหตุมีเหตุการณ์อะไรต่างๆมันทําให้เราไม่สามารถบรรลุถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการแล้เราก็ต้องยอมเล่ากับสภาพไปนั่นเองทำไม่ได้ทำได้ก็ทําไปทําไม่ได้ก็ ก, ก็ก็ช่วยไม่ได้คือเอาธรรมะจัดสรรค์ยินดีตามมีตามเกิดเราก็ทําในส่วนของเราให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ส่วนไหนที่มันเหนือวิสัยเราที่เราไม่สามารถที่จะไปทําได้เราก็ต้องยอมรับกับสภาพเช่นถล่มรถแล้วฝนตกถนนลื่นอเกิดอุบัติเหตุรถชนกันทําให้ติดรถติดอย่างเงี้ก็ต้องยอมรับกับสภาพไปคําถามจากคุณสิริวัลค่ะการที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วสวดบทตรงแล้วสวดบทตรงสังขารมันช่วยลดความอยากได้หรือเปล่าคะ มันก็ช่วยเตือนใจสอนใจแต่สวดอนเดียวมันไม่ได้มันต้องสวดทั้งวันทั้งคืนมันถึงจะได้บอกว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าคิดอยู่เรื่อยๆพอมันจะโลภมันก็จะคิดว่าเดี๋ยวก็ตายแล้วจะเอาไปทํำไมที่ที่เราโลภกันเพราะเราลืมว่าเราจะตายกันเนี่ยอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่ถ้าสมมติว่าเราไปหาหมอเราไม่สบายไปหาหมอหมอบอกเป็นมะเร็งเหลืออีกสามเดือนนี่เรายังอยากจะโลภได้อะไรไหม ไม่อยากได้อะไรแลนะ้วเดี๋ยวรวนเดี๋ยวก็ตายแล้วตอนนี้เรายังไม่คิดว่าเราจะตายกันคือปัญหาถ้าเราคิดว่าเราจะตายแล้วรับรองได้ว่าเราจะไม่อยากได้อะไรแล้วได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องเสียไปไม่เอามาทําไมให้เหนื่อยยากกว่าป่าคำถามจากคุณเก๋ค่ะการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบนุญหรือเป็นกรรมคะก็แล้วก็ว่าเราเกิดมาแล้วเรามาทําอะไรถ้ามาทําบาปมันก็เป็นกรรม ถ้ามาทำบุญก็เป็นบุญมนุษย์นี้เป็นไปได้ทั้งดีแล้วทั้งชั่วถ้าทำดีมันก็เป็นบุญถ้าทำเชั่วมันก็เป็นบาปคำถามจากคุณเบลค่ะอาการที่ใกล้เข้าหาสมาธิจนเป็นสมาธิเป็นยังไงครับต้องทำดูถึงจะรู้อันนี้เหมือนกับพูดกับคนตาบอดว่าสีเขียวสีแดงเป็นยังไงพูดไม่ได้ต้องให้ลืมตาดูลืมตาแล้วก็จะรู้เอง เราไปนั่งพุดโทพูดโธ้ดูเดี๋ยวก็จะรู้เองพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรคำถามจากคุณป้อมค่ะมีคนฝากเงินทําบุญเพื่อบวชครับแต่เราลืมเงินที่เขาฝากเอาไว้เราใส่ตู้ทําบุญกับโรงพยาบาลผิดเลยคะก็ผิดจุดประสงค์ของเขานะควรจะถามเขาก่อนเงิ น, น, น, นที่เขาฝากมาว่าพอดีไปไม่ทันหรือว่าลืมไป จะเอาไปทําอะไรต้องถามเจ้าของเขาเราไม่ควรที่จะไปทําโดยพระลัการคํถาถามจากคุณนภัสวรรณค่ะอยากเป็นพระโสดาบานันต้องปฏิบัติอย่างไรคะต้องปล่อยวางร่างกายให้ได้ต้องไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายคํถาถามจากคุณพีค่ะเวลาสวดมนต์ทำวัดเช้าทําวัดเย็น ทำไมมีอาการว่วงนอนคะเวลาสวดมนต์เสร็จแล้วก็หายง่วงเจ้าค่ะเพราะกิเลสมันไม่ชอบไงกิเลสมันจะสร้างนิวรณ์อุปสรรคการการที่จะทำให้เกิดผลจากการสวดมนต์การสวดมนต์ถ้าถ้าไม่มีกิเลส จ, จิตจะสงบจิตจะ ม, มีความสุขแต่กิเลสมันไม่ชอบความสงบเพราะเวลาสงบกิเลสมันทำอะไรไม่ได้มันถูกจับเข้าไปขังในคุกอย่างี้ มันก็เลยไม่ยอมให้เราจิตสงบมันก็เลยให้หลับแทนว่าหลับแทนกิเลส ช, ชอบหลับแล้วสบายกิเลสสบายค <c oughs> ำถามจากคุณ น, นิดค่ะเวลาที่เราสวดมนต์และเวลาและระหว่างที่นั่งภาวนารู้สึกชาที่การกระหม่อมหรือศีรษะและรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งมาแทรกแซงเราค่ะแล้วควรจะทําอย่างไรดีคะ อ, อ๋อก็ไม่ต้องสนใจให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไป อยู่กับลมหายใจไปแล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรเป็นเครื่องกำกับใจให้อยู่กับเครื่องกํากับใจก็แล้วกันอย่าไปสนใจกับอาการข้างเคียงต่างๆที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าจิตสงบแล้วเดี๋ยวอาการต่างๆจะหายไปหมดแล้วแต่ก่อนจะสงบเนี่ยมันจะมีอาการแปลกๆหรืออาการที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเกิดขึ้นได้ถ้าเราไปสนใจเราก็จะไม่มีวันสงบได้แล้วเราจะต้องเลิกเพราะบางทีลาคาญ สู้มาไม่ไหวั้นอย่าอย่าอย่าแพ้อย่าเผลอสติให้กลับมาที่สติถ้าใช้พุทโธก็กลับมาที่พุทโธใช้ลมหายใจก็กลับมาที่ลมถ้าเดี๋ยวอาการต่างๆมันก็จะหายไปเวลาจิตสงบคำถามจากคุณทวีสินค่ะปัจจุบันหนูตื่นตีสี่ตีห้าขึ้นมาเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิจะดีกว่า จะดีกว่าการนั่งตอนกลางคืนที่ทั้งวันเราผ่านกิจกรรมและเรื่องราวต่างๆรับสิ่งต่างๆมาทั้งวันไหมคะต่างกันเพราะว่าเวลาตอนเยน็นนี้เรื่องราวต่างๆมันจะค้างๆในใจอยู่ถ้าเป็นรถก็ยังวิ่งเร็วอยู่เหยียบเบรกก็เยอะกว่าจะหยุดมันก็ต้องใช้ระยะทางไกลพอสมควรถึงจะหยุดได้มันก็จะนั่งแล้วเหนื่อยซู้ให้มันเรื่องราวมันหมดไปเองดีกว่า เกณฑ์เรหลับนอนนี่มันเราก็เจริมเรื่องราวต่างๆไปพอตื่นขึ้นมาก็เหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่เรื่องของเมื่อวานนี้ก็หายไปนั่งสมาธิก็จะไม่มีอุปสรรคไม่มีความคิดมาแทรกเราก็จะพุโทโธไปเรื่องดูลมไปได้อย่างสบายแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันบางทีอาจจะหลับได้พอบางทีเตเ่นขึ้นมาแล้วบางทียังยังไม่หายง่วง นัั่่งงไไปปสกกกพพึอจจิิตะเรมบ็หลคำถามจากคุณพีโกนค่ะการใช้เลิกยามประกอบพิธีกรรมเช่นขึ้นบ้านใหม่ตามความสบายใจของผู้ใหญ่ถือว่าเราติดยูศีลละพัฒปารามาใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความความเหมาะสมคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลก็เป็นศีลละพัฒปารามา ถ้าเป็นเรื่องของเหตุผลก็ไม่ใช่เหตุผลก็คือเนี่ยทุกฝ่ายพร้อมหรือเปล่าทุกคนสะดวกสบายหรือเปล่าถ้าพร้อมก็ก็ก็ใช้ได้แต่ถ้ามาดูว่าวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่วันอะไรต้องวันนี้ต้องใช้เวลานั้นเวลานี้มันเป็นเรื่องของไม่มีเหตุไม่มีผลแะ้วคำถามจากผู้มาระสงุงออกนามค่ะ มีลูกชายอยากให้เขารักษาสี่ห้าให้ครบแต่บางครั้งเขาก็ดื่มเหล้าเขาบอกไม่เสียหายเราจะบอกอย่างไรดีคะหรือต้องทําใจปล่อยวางคะ่ะถ้าทําใจปล่อยวางได้ก็ดีบอกได้ก็บอกไปบอกแล้วเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขานราเนีนามม้นาที่บอกก็บอกไปก็แล้วบอกแล้วเราก็มาทําใจปล่อยวางคําถามจากคุณสีเมืองคะ่ะ จิตกับความคิดมันต่างกันยังไงครับความคิดมันผูกกับจิตไหมครับความคิดมันออกมาจากจิตเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจิตจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดผู้จําได้ลูกพี่มีความรู้สึกเนี่ยตัวจิตนี้มันเหมือนกับเป็นตัวร่างกายร่างกายก็มีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีอาการต่างๆความคิดก็เป็นอาการหนึ่งของจิตสัญญาก็ความจําก็เป็นอีกอาการหนึ่ง ความรับรู้ก็เป็นอีกอาการหนึ่งความรู้สึกก็เป็นอีกอาการหนึ่งนี่เป็นอาการของจิตคำถามจากคุณสุพรรณีค่ะอยากรู้คนที่ตายทําไมเราต้องทําบุญครบเจ็ดวันและสี่สิบเก้าวันแล้วผู้ตายจะได้รับบุญไหมคะ เ, เขาคิดว่าคนตายยังอาจจะไม่ได้ไปยังวนเวียนอยู่ที่ร่างกายอยู่ก็เลยทําบุญในช่วงนั้นเขาจะได้รับบุญไป อันนี้เป็นเพียงความเชื่อความจริงนี่มันอยู่อยู่ที่บุญของแต่ละคนที่ทำไว้ถ้าเขามีบุญมากเขาก็ไม่เขาก็ไปเลยถ้าเขายังมีความกังวลมีความห่วงใยคนนั้นคนนี้อยู่สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เขาก็อาจอยังจะป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้กับสิ่งที่เขารักเขาห่วงก็ได้แต่เราไม่รู้ถ้าเราไม่มียานอย่างถ้าเราไม่สามารถติดติดต่อดวงวิญญาณได้เราจะไม่รู้ พระพุทธเจ้านี่รู้อย่างมีพระรูปหนึ่งตายไปแล้วท่านยังห่วงจีวรข อ, องท่านอยู่ท่านก็กลับมาเกิดเป็นตัวเลนพระพุทธเจ้าก็บอกพระว่าพระผืนนี้อย่าเพิ่งเอาไปใช้เพราะสมัยก่อนผ้ามันมีน้อยเวลาพระตายไปพระยังดีอยู่ก็ะจะให้พระที่เขาไม่มีพระพระไม่ดีเอาไปใช้ได้แต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าเจ้าของยังยั ง, ย, งยังไม่ปล่อยผ้าผืนนี้ยังห่วงยังรักผืนยังรักพระอยู่ เลยกลับมาเกิดเป็นตัวเลนมาเกาะอยู่ที่ผ้าพอหลังจากเจ็ดวันนั้นตัวเลนนั้นตายไปพระเจ้าก็บอกว่า เ, าเจ้าของก็ไปแล้วใครอยากจะเอาผ้าผืนนี้ไปใช้ก็เอาไปใช้ได้คุณถามเจ้าคุณแท็ปบี้ค่ะนั่งมีปัศนาดูลมหายใจดูไปดูดูไปดูมาหลับไปเลยควรแก้อย่างไรคะลุกมาเดินลุกมาเดินต้องฝึกสติให้มากขึ้น แล้วก็หัดกินอาหารให้น้อยลงคนจะปฏิบัติจิตดไ ด, ด้นี้ต้องต้องมีความหิวอย่าอย่า อ, อย่าอิ่มเกินไปถ้าอิ่มแล้วมันจะง่วงหนังท้องตึงแล้วหนังตามันจะหย่อนต้องกินพอประมาณกินพออยู่ได้ก็พออย่า ก, กินจนอิ่มแน่นท้องแล้วเวลานั่งมันจะง่วงมันจะหลับคำถามหมดค่ะดีพักเดียว แล้วทางเคเบิลเขาจะมีเขาจะวัดได้เปล่าว่ามีคนดูเท่าไหร่ยังยังไม่ได้ครับก็ไม่สามารถวัดได้เลยวัดไม่ได้ครับอ๋อ่งแต่ส่งออกไปเท่านั้นถ้าจะรู้ก็ต้องทายคนที่เขาเขาดูส่งเข้ามาสอบถามคาถามอะไรทังนั้น่งเข้มาอืมสอบถามมาทางเฟซบุ๊กมาทาง youtube ก็บอกว่ามาสอบถามาจากังะบบเคเบิลอ่าเองจะรู้คนที่อขาอ๋อ แต่แม้เขาจะรู้ว่ามีคนใช้บริการเขาเท่าไหร่แต่เขาไม่รู้ว่าเขาดูช่องไหนกันใช่ไหมมันเป็นอันตรโลออกของกันนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถามดูเผื่อจะรู้คงไม่รู้นะครับไม่ทราบไม่รู้ตัวเลขอือย่างน้อยก็มีอีกหนึ่งช่องทางคนที่อยู่แถวนาเกลย์น่ะเค บ, บังระบบเคเบิลนี่เขาจะบริการใน ในบริเวณนาเกลือก็อมีคนใช้ประมาณสองหมื่นไหมสองหมื่นครั บ, 20, รบสองหมื่นนี้ของของนาเกลือข อ, ของทางนักเรื อ, อรทั้งปัตยานบนบนนะครั บ, อรบสองหมื่นอย่างในคอนโดเนี่ยคื อ, ค, อคือหนึ่งหนึ่งยูนิตของเ้าเนี่ยอเขาอาจจะมีคนข้างในอีกนะครับายก้อนสองหมื่นนี่ถ้านดูทั้งร้อยหนึ่งก็ถือว่ามากแล้วนะครับช่อมทำละนี่ ก็ส่วนใหญ่คนเขามีส่วนใหญ่ก็จะใช้ดูพวกบันเทิงมากกว่าดูบันเทิงมหัศรรย์อย่างช่างธรรมะนี่มันเป็นเป็นทองแปด<ม>เป็ซึ่งอาจจะเหมาะกับบางทีมีปู่ย่าตายาย<ม>หรือบ้านแล้วก็อยากจะดูทางธรรมะแล้วก็มีการโฆษณาฝรือเปล่ต้องมีโฆษณาทางช่องอื่นบ้างะถึงนี้ก็จะไปรู้ได้ไงว่ามีช่องนี้ เดยวเขาเขาจะเขาจะขึ้นเป็นตัวอักษรวิ่งนะครับตอนช่วงเา้นะครับว่ามีมีธรรมะทีวีที่ช่องนี้คนที่ชอบทีวีชอบธรรมะก็จะได้เปิดเข้าไปดูได้อันนี้เขาบริการ24ชั่วโมงเลยนะแล้วเขาก็จะเอาของย้อนหลังมาเปิดต่อตอนนี้ตอนนี้ทางยูทู e ไม่ลดเลยฮะอยู่อยู่ที่120ครึ่งตลบ120 เรัตอนนี้เราจะสังเกตจากตัวหลักทางยู u ูบนะครับทัพยูค่อยๆขยับขึ้นมาเพราะมันเข้าง่ายกว่าไม่ต้องเป็นสมาชิกมีใครอยากจะถามอะไรัหยมาจากที่ไหนกันเนี้ยกรุงเทพครับในกรุงเทพเลยครับมาแล้วเดี๋ยวก่ากลับเลยเลยก็ส่วนมากก็ฝังเทศเสร็จก็ตับเลยครับอ๋อความจริงติดติดตามทางทางเฟ e บุ o กก็ได้ ไม่เหมือนกันได้มาก็ดีครับอ่ามาโดยตรงมาที่นี่เลยตรงเลยใช่ครับอืได้ประโยชน์บ้างไหมได้ครับอแล้วเอาไปทําอะไรบ้างรึเปล่าก็มีหลักเลือกอะไรไปหลายอย่างครับได้ลองปฏิบัตินั่งไหมก็มีบ้างเล็กน้อยครับแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะออกมาถามหลวงพ่อเพราะว่าต้องต้องฝึกอต้องพยายามนะ ถ้าเราไม่เริ่มต้นมันก็ไม่ไปแล้วการปฏิบัตินี้มันเหมือนเข็นโคกขึ้นภูเขาถ้าไม่เข็นมันไม่ขึ้นไม่เหมือนกับให้ให้โคกลงมาจากเขาถ้าปล่อยโคกลงจากเขานี่ไม่ต้องไปไปทาอะไรพอปล่อยปั๊บมันก็ไหลลงเลยแต่เข็นโคกนี่มันต้องเข็นมันถึงจะขึ้นไดน้การปฏิบัติจิตทําจิตให้สงบนี่เหมือนเข็นคกขึ้นภูเขา ถ้าเราไม่มีความพยายามไม่บังคับมันไม่ไปเราต้องบังคับเราต้องตั้งเป้าหมายต้องตั้งเวลาเหมือนกับมีนัดอย่างนี้อันนี้มีนัดที่จะนั่งสมาธิเวลานั้นเวลานี้ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายไม่ตั้งไม่นัดกับมันนี้มันจะไม่มันจะไม่ทํามันจะลืมไปเลยมันจะไม่คิดถึงมันเพราะจิตเรามันไม่เคยอยู่เฉยๆมันอยู่เฉยๆแล้วมันอึดอัดมันไม่เคย ไปล้มันนั่งเฉยๆนี่มันจะอึดดัดงั้นอตอนต้นท่านอืดดัดก็นั่งฟังไปก่อนนั่งฟังมันก็ยังทำไม่ค่อยอึดอัดพอฟังเสร็จแล้วก็ลองนั่งต่อลองนั่งดูลมต่อไปหรือน้องลองนั่งพุทโธพุทโธต่อไปแล้วความรู้ต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนี้เราจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ต่อเมื่อจิตเราสงบจิตเรามีกาลังที่เราจะได้สู้กับความอยากได้ ตอนนี้เราไม่มีกำลังสู้กับความอยากตอนนี้เรารู้ว่าความอยากไม่ดีแต่พอถึงเวลาอยากมันหยุดไม่ได้เราต้องมาสร้างกำลังที่จะสู้กับความอยากก็ ค, คือความนิ่งความสงบต้องฝึกสติให้มากๆแล้วต่อไปเวลาเกิดความอยากเราก็ใช้สติเนี่ยสู้กับมันปัญญาเรารู้รู้แล้วว่าความอยากนี้เป็นโทษเป็นภัยแต่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะสู้กับมัน ต้องฝึกสติฝึกสมาธิให้มากๆแล้วพอเกิดความอยากก็เอาปัญญามาสอนว่านี่คือโทษนะนี่คือศัตรูไม่ใช่เพื่อนอย่าไปทําตามมันมันชวนเราไปเที่ยวเราอย่าไปพาไปแล้วเรามันจะต้องพาเราไปทุกขต่อไปเพราะเที่ยวแล้วมันจะไม่มีวันพอแล้วพอไม่ได้เที่ยวมันก็จะทุกนี่คือปัญญาคนไม่รู้กันคนคิดว่าเที่ยวแล้วสนุก แล้วก็อยากเที่ยวกันอยู่เรื่อยๆเที่ยววันนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เที่ยวใหม่ก็เที่ยวก็ไม่คิดว่าเป็นเป็นเป็นเป็นโทษเป็นทุกข์เวลาเวลาไม่เดียวไม่ได้เที่ยวเศร้าโศกเวลาไม่ได้เที่ยวรู้สึกว้าวเวเศร้าซ้อยหงอยเงาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นทุกข์ก็คิดว่าต้องไปเที่ยวให้ได้อย่างเดียวถ้าทําไม่ได้เที่ยวมากๆเขาก็เครียดซึมเศร้ า, ร า, ราขึ้นมาเป็นโรคซึมเศร้าได้ มีเข้าวใาหม่ไหมมีค่ะอ่าข้าวใหมา่เลยห้านาทีคําถามจากคุณปานิสาค่ะขอพระอาจารย์ช่วยชี้แนะวิธีสละร่างกายด้วยค่ะอ๋อก็ต้องหมันพิจารณาอยู่เรียกว่าร่างกายเดี๋ยวก็ต้องตายเวลาจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมปล่อยตอนนี้มันยังอยู่กับเราก็ดูแลมันไปแต่เราต้องรู้ว่าต้องมีวันหนึ่งที่มันจะต้องจากเราไปะ คือสอนใจทำใจให้พร้อมที่จะให้มันไปอย่าไปขัดขืนอย่าไปหวงเมื่อถึงเวลาจะคืนเขาก็คืนเขา้าไปด้วยการมันระลึกถึงความตายอยู่เรื่อยๆถ้าเรานัเลือกอยู่เรื่อยต่อไปใจเราก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไปคิดว่าเราจะอยู่ไปตลอดพอถึงเวลาจะตายมันก็จะปล่อยได้ถ้าปล่อยไม่ได้ก็ใช้พุโทโธช่วย มีปัญญาแต่ไม่มีสติไม่มีสมาธิมันก็ยังปล่อยไม่ได้คำถามจากคุณอินทร์ค่ะในกรณีที่ผู้ที่มีกิเลสทั้งโลกโกรธเห็นแก่ตัวเป็นตัวนำมาใช้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนเกิดผลเสียแต่เจ้าตัวไม่รู้ทำให้บุคคลรอบข้างพากันไม่ต้องการจะร่วม ง, งานด้วยออขอถามคาว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้ตัวเองที่จะไม่ไปทาร้ายคนรอบข้างได้คะ ก็บอกเขาตรงๆเลยเป็นยากตรงไหนเลยถ้าอยากได้ก็รู้ก็บอกเขาเลยนี่เขาจะฟังหรือไม่ฟังเขาจะเชื่อไม่เชื่อนั่นไงคำถามจากคุณสุรเดชค่ะเมื่อปฏิบัติธรรมถึงขั้นเสียดตายแล้วจิตพูดกับตัวเองได้ผมอยากทราบว่านักปฏิบัติธรรมต้องเสียดตายทุกคนหรือไม่จิตจึงจะพูดกับตัวเองได้ครับ ไม่รู้เนเรื่องพูดกับตัวเองมันพูดอยู่ตลอดเวลาอยู่นะไม่เฉียดตายก็พูดตอนนี้มันก็พูดอยู่ตลอดเวลาแล้วไม่เข้าใจความหมายว่าพูดกับตัวเองนี้เป็นอะไรทำมันต้องเฉียดตายด้วยถึงจะพูดกับตัวเองเลยอายังไม่เฉียดตายไม่ยอมไม่พูดกับตัวเองแล้วตอนที่เราคิดอยู่ตลอดเวลานี้เรากำลังพูดกับตัวเราเองอยู่เปล่าเอ๊ะวันนี้ไปเที่ยวไหนดีวะไปกินอะไรดีนี่พูดกับตัวเองหรือเปล่าใช่มคา ไวัดทาบุญค่ะจิต ท, ที่จะยกระดับสูงขึ้นจะมีลักษณะอย่างไรครับเราจะรับเราจะรับรู้ได้หรือไม่การที่รู้สึกว่าตัวทองแล้วใหญ่ขึ้นร่างกายรู้สึกแข็งเหมือนหินอย่างนี้สมควรทาอย่างไรต่อไปดีครับอ๋อมันเป็นอาการที่หลอกเราเวลานั่งสมาธิทั้งเองมันไม่ได้เป็นของจริงร่างกายก็เหมือนเดิมอยู่ส่วนเรื่องจิตจะสูงหรือต่าก็อยู่ที่การประพฤติเนี่ย ถ้ามีศีลมากขึ้นก็สูงขึ้นถ้าถือศีลห้าได้ก็สูงกว่าตอนที่ไม่ได้ถือศีลห้าถ้าถือศีลแปดได้ก็สูงขึ้นไปถ้าถือศีลสองร้อยีิบเจ็ได้ก็ยิ่งสูงขึ้นไปส่วนหนึ่งเป็นท้อวัดของจิตที่สูงไม่ใช่เป็นเพียงแต่ศีลอย่างเดียวความสงบของจิตก็มากขึ้นก็สูงขึ้นปัญญาความฉลาดรู้ทันกิเลสมากขึ้นก็สูงขึ้นไปสูงด้วยศีลสมาธิปัญญา อ่าหมดหรือยังยังค่ะอ่าข้อสุดท้ายนะคําถามจากคุณสลิตสาลินีค่ะมีคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมต้องมีร่างกายครบสามสิบสองการทําหมันทําให้ร่างกายเราไม่สมบูรณ์เต็มร้อยปฏิบัติธรรมจะไม่ก้าวหน้าจริงไหมคะอ่าไม่จําเป็นอ่ะการปฏิบัติตารรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับร่างกายขึ้นอยู่กับสติขึ้นอยู่กับสมาธิขึ้นอยู่กับปัญญา คนพิการคนตาบอดหูหนวกก็ปฏิบัติได้แต่คนหูหนวกนี่ถ้าเขารู้วิธีปฏิบัติถ้าก็รู้จักวิธีเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาเขาก็ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินี้ไม่ได้เกี่ยวกับร่างกายร่างกายเป็นเสิ่งองค์ประกอบเท่านั้นเองมีร่างกายก็ดีบางทีจะได้ปฏิบัติง่ายหน่อยปฏิบัติได้ต่อเนื่องแต่ถ้ารู้จักวิธีปฏิบัติแล้วร่างกายจะไม่มีแล้วไม่มีก็ไม่สําคัญ อยู่ที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาหรือเปล่าเทนนั้นเองเอาแล้วนะคิดว่าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทางสายบางอะมูเคเบิลถ้าได้ยินได้ฟังถ้าเห็นว่าน่าสนใจก็ช่วยบอกคนอื่นต่อไปจะได้เผยแพร่กันไปก้างค ว, วางขวางยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอ